ตอนวิธีการปฏิบัติโปรแกรมพัฒนาจิตกาบนมันสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกัลยะมิตรทุกท่านนั่งสบายสบายเนาะก็เสานี้มีบางคำถามนะปกติทุกคืนมันเสาร์อกูก็มีเรื่องอะไรเขามาเล่าสู่กันฟังนะก็ช่วงเสาที่แล้วกับเสานี้ก็มีคำถามก็ดีเหมือนกัน บางทีเราพูดธรรมะกว้างๆนะบางคนก็อาจจะได้ประโยชน์บางคนก็ฟังไม่รู้เรื่องบางคนก็ไม่มีอะไรสงสัยก็เป็นมีคำถามมาดีแล้วใครมีคนถามก็จดๆไวนะ้แล้วเราจะรวบรวมเพราะว่าปฏิบัติแนวนี้เนี่ยไอแนวซึ่งมันไม่มีแนวเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จว่าต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าบางทีข้อหลังเล ส, สงสัยมันก็เยอะ นะตัวลังเลสงสัยมันก็เป็นบ่วงมันเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตก็ก่อนที่พรอครูจะเข้าถึงคำถามก็จะอ่านก็อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วไม่รู้วอาทิตย์ไหนเนาะก็เคยอ่านได้ฟังทีหนึ่งมีกัลยาณมิตรที่มาปฏิบัติธรรมเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแถวนครนายก คุณมหมอสายันเข้ามาครั้งแรกนะเข้ามาครั้งแรกแล้วก็อาทิตย์ก่อนก็ามาครั้งที่สองก็ครั้งแรกเขาก็เขียนข้อติชม <c oughs> ที่เข้ามาศูนย์เนี่ยใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ซึ่งดีมากนะพกกูก็ขออ่านให้ฟังนะ เขาเริ่มต้นที่ individual d i v i d design program เป็นเหมือนโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้กับผมโดยเฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับจลิตมากที่สุดเหมือนการเหมือนการตัดเสื้อที่ตัดออกมาให้เราโดยเฉพาะ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 ในเรื่องของจิตในจิตซึ่งที่ผ่านมารู้จักแค่สติและสมาธิห0สบนาทีที่ในการสนทนาธรรมกับพ่อครูบัญชาจะเป็นหนึ่งชั่วโมงที่เปลี่ยนชีวิตของหมอสายันไปชั่วชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจในแก่นแท้ของพุทธศาสนาที่เกิด จากภาษาที่ง่ายๆของพ่อครูเกิดจากประสบการณ์ตรงของการปฏิบัติต้องกราบขอบพระคุณพ่อครูที่เหมือนให้ชีวิตกำหนดชีวิตใหม่ทางธรรมความเมตตาที่พ่อครูมีให้กับลูกศิษย์ช่างเกินกว่าที่จะบรรยายเป็นภาษาเขียนแต่มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ ยึดเป็นแบบอย่างในการทำความดีในการให้ในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนิพพานคือนิยามของการดับทุกข์ที่มีเฉพาะพระอาหารหันต์และเป็นแค่เรื่องและเป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในอดีตที่ตายแล้วจากปัจจุบัน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 มากมากที่ที่พ่อครูมอบให้นะครับอันนี้ก็เป็นคุณหมอซึ่งปฏิบัติทำมาพอสมควรเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลแถวนครนายกนะแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาที่นี้คุณหมอมาก็ช่วยคุยขยติที่ทำมาใหม่ๆก็บางคน วันนี้ก็มีคำถามนี้ทานะงแก้วทิพย์เขาก็จดมาใหนะ้บางคนเขาสงสัยว่าถ้าปฏิบัติทำแล้วมันจะไม่ขี้เกียจเลยมันจะทิ้งการงานที่ทำอยู่เลยคุณหมอวันนั้นก็ช่วยชี้แจงว่าเราจะฉลาดขึ้นตอนนี้ผมฉลาดขึ้นแล้วนะสมัยก่อนผมทิ้งงานไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่ เ, เมื่อมันมีปัญญาแล้วมันจะฉลาดจัดเวลานะ ระวางเวลาได้ถูกต้องที่ผ่านมาบางทีเราไปเสียเรือเวลากับเรื่องไม่มีสาระเรื่องยุ่มยุมยิ้ ม, ม, มและทำให้ตัวเองไม่มีเวลาอันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยทีนี้ก็เข้าสู่คำถามเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะได้มีเวลาปฏิบัติบ้างต้องการรู้ว่าในการปฏิบัติแต่ละสเต็ปทำไมต้องทำแบบนี้และแต่ละโปรแกรมสื่อความหมายว่าอย่างไร โปรแกรมที่หนึ่งโปรแกรมเตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจที่เราปฏิบัติตอนหโมงเชา้านะก็แยกเป็นหเซสชันเล็กๆนะไอนี้มีเจตนาคือให้จิตยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะในโปรแกรมเดียวเนี่ยเราเปลี่ยนหลายอารมณ์อารมณ์ถ้าในทางฝึกจิตสมถกรรมาฐานฐานนั้นเขาเรียกว่าอารมณ์เอาอารมณ์นั้น เป็นที่ตั้งแห่งการกำหนดหรือเป็นการเป็นที่ตั้งแห่งการบําเพนเพียนนะเขาเรียกว่าอารมณ์ฐานที่ตั้งคือกรรมฐ า, านนะทีนี้ในช่วงเช้าเนี่ยเราเรียกว่าเตรียมความพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์เวลาเราจะเดินทางออกจากป่าหรือเราจะเดินทางไกลเราต้องเตรียมความพร้อมใช่ไหมจัดเสื้อผ้าสเสบียงอะไรพวกนี้ โดยเฉพาะร่างกายเนี่ยต้องแข็งแรงไม่งั้นเราเดินทางไกลไม่ได้ตอนนี้บางบางทีชีวิตเราทางโลกคิดแบบวิทยาศาสตร์จําแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยะก็ยิ่งสับสนซอยเป็นชุดวิชาเป็นแลลมแหลมเอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องเหลือเรื่องเดีย ว, ยวทีนี้ความเป็นจริงตามธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งในแง่ชีวิตเราเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าองค์รวมต้องโฮลิสติก ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ใช่ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวสังเกตไหมตอนนี้เราอยากแข็งแรงเราก็ไปเล่นกีฬานะเล่นเอาเป็นเราตายเลยนะเพื่ออยากชนะที่ออกกาลังกายนั้นสมองกิเลสทั้งนั้นนะที่อุตส่าห์เหนื่อยอะไรเนี่ยเพราะอยากชนะนะเราเอาร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวบางทีก็เป็นลมเป็นแรงหัวใจวายตายพอจะฝึกจิต ไปนั่งฝึกจิตยอย่างเดียวทรมานสังขารอีกคือแยกเป็นชัดเจนเลยเอาแต่จิตยอย่างเดียวนะนั่งทรมานสังขารบางทีอดข้าวอดน้ำํำผู้เจ้าลองมาหมดแล้วทุกกิริยาหรือการทรมานสังขารเนี่ยพระ อ, องค์บอกเรียกว่ามันไม่ใช่ความเพียรชอบมันไม่ใช่พอดีนะนี่คือการมองอะไรแบบแยกส่วนในยุคนี้เรียนขแขนงเดียวให้รู้ลึกๆึก แขนงเดียวก็เก่งในเรื่องนั้นแต่บริหารชีวิตตัวเองไม่ถูกต้องนี่คือตอนเช้าเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์ต้องเดินทางแบบอารมณ์อิสระนะไม่ใช่เดินไปด้วยเครียดไปด้วยนะตอนนี้เราทำงานไปด้วยเครียดไปด้วยนะทุกวันนี้เราเอาเฉพาะเนื้อ ง, งานเราไม่เอาชีวิต เราชีวิตเราไปทุกข์กับสร้างอนาคตนะเอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องเดียวตลอดแยกส่วนนะชีวิตเราถึงไม่สมบูรณ์ไงบางคนร่างกายแข็งแรงนะเป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งปุ๊บแพ้ บ, บางทีข่าตัวตายเพราะจิตไม่แข็งแรงบางคนเอาเฉพาะจิตจิตแข็งแรงร่างกายก็เดี้ยงก็ไม่แข็งแรงอีกมันก็ทำงานไม่ได้นะบางคนร่างกายก็แข็งแรง จิตก็ปฏิบัติทำระดับหนึ่งนะแต่อารมณ์ไม่แข็งแรงโกรธง่ายนะขี่โมโหง่ายอะไรพวกนี้เขาว่านิดหนึ่งก็โมโหแล้วเห็นไหมคืออารมณ์มันไม่แข็งแรงนะทีนี้ผู้เจ้าสอนให้เราสติปัฏฐานสี่เนี่ยต้องให้บริบูรณ์ทั้งกายเวทนาจิตธรรมธรรมนี้คือธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์อยู่ในจิตใต้สำนึกเราเป็น เวทนาเดิมหลา ย, ลายชาติบันทึกเป็นสัญญาไว้ในจิตใต้สำนึกเหมือนเราเข้าไปในเว็บไซต์คอมพิวเตอร์นั่นละนะไปดูเว็บไซต์เก่าเรานั่นแะละเป็นอารมณ์อารมณ์ในอดีตส่วนเวทนาเป็นอารมณ์ปัจจุบันนะที่มันเกิดขึ้นที่ใจใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคือตาหูจมูกกลิ้นกายใจเป็นอายตนะนะเอาเป็นว่าฐานกายกับฐานเวทนานี่อยู่ที่ฐานกาย นะส่วนจิตกับธรรมนะจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นนะธรรมอารมนั้นนะอยู่ในฐานจิตถ้าเราไม่เข้าไปในจิตได้เนี่ยเราจะไม่มีวันเสพทําในธรรมได้นะก็เอาเป็นว่าช่วงเช้าเนี่ยคว่าการฝึกจิตเนี่ยนะไม่ใช่ไปฝึกสมาธิจเจริญสติอย่างเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอย่างนี้นะการฝึกจิตเพื่อบรรลุธรรมเนี่ยเริ่มต้นจากสเตปบายสเตปได้ เริ่มจากสัมมถกรรมฐานก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปสู่วิปัสนาอันนี้ก็ได้นี่ก็พ้นทุกได้แต่ปฏิบัติวิปัสนาเลยนะก็เร็วกว่านะแต่ต้องไปเอาฐานเดิมที่เราฝึกมาหลายชาติแล้วมาต่อ ย, ยอดแต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีทางเลือกเราก็เริ่มจากสัมถะสร้างพลังเราไปเรื่อยๆนะ แต่พวกครูว่าถ้าเป็นยุคสมัยก่อน 4, 50ปีก่อนหรือ100ปีก่อนหรือ2 0 0พกว่าปีก่อนนันมันมันไม่ยากเท่าไหร่แค่ไปอยู่ในป่าเฉยๆเนี่ยสะสมบารมีไปก็บรรล้ทำได้แต่ยุคนี้เราใช้ชีวิตในเมืองในยุคที่แข่งขันเสรีสิ่งกระทบเยอะกิเลสพัฒนาไปตามเทคโนโลยีกิเลสขี่จรวดะ เราหมดแต่ตมๆมเตียมเีย ม, ม, ม, ม, ม, ม, มคือขี่คอช้างถือเงียวถือเงาวฟันดาบหยุ่มมันคงไม่ทันนะเอาเป็นว่าคาบแรกตอนเช้าหกโมงถึงเจ็ดโมงเนี่ยเป็นการเตรียมร่างกายกับจิตใจนะก็ภาษาอังกฤษพู ด, ดง่ายๆว่าเริ่มจากเรามีเช็คกิ้งนะเราใช้พลังงานที่เรามีอยู่แล้วนะในตัวเราเนี่ยมาช่วยกระตุ้นให้จิตมันอิสระ นะคือเช็คกิ้งคือการสั่นสะเทือนอันนี้เ็าเรียกว่าอะไรอริยบทบับไม่ต่างอะไรที่ขวาหนอซ้ายหนอเดินจงกรม น, น่นั่นคืออริยบทบับแต่อันนั้นสปีดช้าเวอร์ชันมันช้าอันนี้เราเร่งสติหมุนกรง้อของธรรมจักรสปีดเร็วแต่มันก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายนะอาศัยพลังสั่นสะเทือนเนี่ยอย่างสุนัขนี่เวลาใครเลี้ยงสุนัข ก, ก็คงสังเกตนะ เวลากลางคืนมันนอนนานตื่นเช้ามางานแรกมันทำอะไรมันเช็คกิ้งมันสั่นสะเทือนมันคลายความตรึงเครียดของร่างกายนะแล้วก่อนที่จะมันตื่นอ่ะตอนเช้ามื่อมันตื่นมาก่อนมันก็เห่ามันก็หอนมันคลายอารมณ์มันจึงไม่เป็นมะเร็งไงหมาป่าอะไรนี่ไม่เคยเป็นมะเร็งหรอกแต่หมาบ้านตอนนี้ไม่แน่เพราะมันเครียด ขังมันไว้และเอาอะไรให้มันกินก็ไม่รู้นี่คือสัญชาตญาณของสัตว์เขาทำตรงๆเลยเพราะว่ามันไม่มีมารยาทพวกเรากล้าสั่นไหมเฮ้ยมันอายเสียบุคลิกภาพเห็นไหมเด็กๆเวลาเขาเล่นกันพอชนกันมันล้มลงไปมันก็ร้องไห้เลยมันแหกบากร้องปล่อยอารมณ์ออกปุ๊บลุกขึ้นมามันก็เล่นกันต่อ แต่ผู้ใหญ่เราเนี่ยแค้นนี้ต้องชำระสิบปียังไม่สายแล้วมะเร็งมันจะไปไหนล่ะเพราะอะไร <c oughs> เพราะเรารู้มากไม่ใช่เรารู้จริงเรารู้ว่าเราเสียเปรียบไม่ได้ฉันอยู่ยเชิญเธอมชนฉันล้มทำไมเรามีทิฏฐิมานะเรามีมารยาทเราต้องระวังบุคลิกภาพเราหัวเราะแรงๆก็ไม่ได้เสียมารยาทร้องไห้แรงๆก็ไม่ได้เสียศักดิ์ศรี นี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองนะเราถึงเครียดไงนะก็ชั่วโมงเช้าเนี่ยเราเริ่มจากเช็คกิ้งสิบนาทีนะคือปลุกให้เราตื่นปลุกเซลล์ต่างๆตื่นปลุกสติสมาธิปัญญาที่เรามีอยู่แล้วให้มันตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ไม่ต้องไม่ใช่ต้องไปต้องไปฝึกนะฝึกเสียเวลาใช้มันเลยนะถ้าทุกคนไม่มีสติไม่มีสมาธิเมื่อกี้จากที่พักเดินมาที่ สาลาไม่ถูกนะักขัดขาตัวเองล้มแล้วเรามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมใช้มันยิ่งใช่ก็ยิ่งชำนาญอันนี้เราไปฝึกฝึกฝึกอยู่ตรง น, นั้นแหละนะมวยแต่เสียเวลาฝึกอยู่เหมือนนักมวยเนี่ยขยันมากชกกระสอบทุกวันมันก็เกิดกำลังอย่างหนึ่งมีแข็งแรงอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไม่เคยขึ้นเวทีเลยนี่เราจะไม่เกิดปัญญาเราจะไม่เกิดทักษะเพราะไอ้กระสอบมันชกเราคืนไม่ได้ มันเป็นเป้านิ่งแต่ชีวิตจริงเรามันเป็นเป้าบินเขาจะดา่าเราเขาไม่บอกระวังนะกำลังจะด่าแล้วนะมันด่ามาเลยท้ามัวช้าๆอยู่มันจะทันไหมเสียงด่าคือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามมันเกิดมันก็ดับโดยธรรมชาติมันแต่เราไม่เห็นตอนมันดับรูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิดลงใจทันทีก็บอกลงใจเจ็บใจเสียใจน้อยใจ แล้วก็โกรธเวทนาเกิดสัญญาเกิดบันทึกสัญญาเลย ว, ว่ามันด่าเราแล้วก็ไปดึงไอ้สัญญาเก่าที่ว่าไม่ชอบถูกด่าเนี่ยมันก็วินสังขารเกิดมันก็ปรุงแต่งแล้วว่าเธอดา่าฉันฉันเสียเปียบไม่ได้ฉันต้องด่าเธอคืนภายในหนึ่งวินาทีนะขันห้าปรุงแล้วเราเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ด่าไปคืนเลยเดินไปหมามันเห่าเราโกรธมากเราไปเห่ามันตอบแล้วก็กลายเป็นหมาเหมือนมันตอนนี้ทุกคนรู้นะ รู้สมองรู้แต่จิตเราไม่รู้เราเข้าใจมันไม่เข้าจิตไงมอนถึงเผลอไปสร้างกรรมอยู่เอยนะอันนี้ก็ชั่วโมงเช้าก็เช็คกิ้งนะสิบนาทีนะพอผ่อนคลายร่างกายแล้วนะก็เยลลิ่งนะร้องออกมาเลยใครอยากจะร้องอะไรก็ร้องแต่อย่าร้องออกมาเป็นสามมนุษย์เป็นเสียงเหมือนเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเสียงมันเห่ามันนอนนั่นแหละคือคลายอารมณ์ออกมา ถ้าเราร้องออกมาเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปด่าเขานะปล่อยออกมาปล่อยความเครียดออกมาแรกแรกบางคนว่าต้องตั้งใจทำไหมแรกแรกก็เหมือนเราตั้งใจนั่นแหละเหมือนเราต้องเปิดฝาให้มันก่อนพอมันออกมาแล้วทีนี้มันก็ไหลออกมาเลยนะั่นข้างในลึกๆนี่ที่บันทึกไว้นะ่ะมันก็ออกมาอันนี้คือคายอารมณ์เรียกว่าเยลลิงหรือสกิมมิงนะ แต่ถ้าเรายังใช้สมองอยู่เรายังมีมารยาทอยู่เรากล้าทํำไหมเฮ้ยเสียบุคลิกภาพไม่สวยงามแล้วก็กดตัวเองไว้เราฉลาดจริงเหรอคนคนึงเ น, นี่ยชอบทําให้ตัวเองเครียดแล้วความเครียดช่วยทําให้ตัวเองโกรธนะที่อาจารย์พระพยอมบอกว่าโกรธคืองโง่โมโหคือบ้านนั่นแหละทุกคนก็รู้แต่ก็ชอบเป็นคนบ้าเพราชอบโกรธบ่อยๆนะเราก็เอามันออกตรงๆเลย เมื่อเราคลายร่างกายความตึงเครียดของร่างกายแล้วเราคลายอารมณ์แล้วเราก็เฉลิมฉลองในอิสระภาพที่ได้รับเราก็แดนซิ่งเห็นไหมเช็คกิ้งสกรีมิ่งแล้วก็แดนซิ่งเฉลิมฉลองปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปนั่งค่ําคืบเพิ่มความเครียดไม่เรียวกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือการกระทําตามธรรมชาติเมื่อมันลื่นเลงก็แสดงออกมาจะไม่ได้ทำด้วยกิเลสไม่ได้ทําด้วยอารมณ์ ทำด้วยความเบาความอิสระเฉลิมฉลองอิสรภาพพี่หล่อได้รับเรียกว่าแดนซิ่งทีนี้ก็สิบนาทีก็นั่งลงไปเนาะอันนี้เขเรียกว่าซ t t ติ g งดาวแล้วก็สปินนิ่งหมุนตัวนะหมุนเพื่อเตรียมอะไรตอนนี้มิกซ์ตูแกรเดอร์ก็คือเอาร่างกายกับจิตใจเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียว ดึงเครื่องมือสองอย่างเมื่อตอนนี้เราผ่อนคลายร่างกายแล้วผ่อนคลายอารมณ์แล้วแล้วก็เฉลิมฉลองเอาหัวโขนออกไปถ้าเรายังมีหัวโขนอยู่เราล้ำไม่สวยหรอกกังกังกังกงยังสมหวนท่าทีอยู่นะต้องอิสระแบบว่าล้ำไปไหนก็ไปไปไหนก็ไหนเจอใครก็ไม่อายถ้ายังมีอายอยู่เนี่ยนะมันยังไม่อิสระร้อยเปอร์เซ็นี่คือเป็นการปลดปล่อยกิเลส ท, ที่เราถูกครอบไว้ตลอดชีวิตนะพอเวลานั่งปุ๊บ แล้วก็หมุนทำให้ร่างกายจิตใจเป็นหนึ่งเดียวนะเมื่อเราเพลินอยู่หมุนจนเพลินนะเลือดลมมันก็วิ่งนะอันนี้คล้ายๆว่าเรากำลังเข็นรถยนต์รถยนต์เครื่องไม่ติดเราก็ช่วยเข็นถ้าเข็นปุ๊บเอาแค่กายเข็นแต่จิตมันไม่เอาแค่คิดเฉยมันก็เหนื่อยแล้วใจไม่เอาก็เหนืนะ่อยใจเข็นแต่ร่างกายไม่เคลื่อนไหวมันก็เข็นไม่ได้คือกายกับจิตเป็นเอกขตาลมเป็นหนึ่งเดียวไม่แยกเธอกับแยกฉัน รวมพลังกันเข็นรถคันนี้เมื่อเรากำลังเข็นเค็มๆ อ, อ, อยู่แล้วครั้งก้างสุดท้ายล้มหงายลงอย่างฉับพลันอันนี้เรียกว่าอะไร dying กำลังตายอยู่อันนี้ฝึกมรณานุสตนะิเริ่มจาก checking นะแล้วก็ skimming แล้วก็ dancing แล้วก็ spinning แล้วก็ dying ฝึกกำลังตาย แล้วดูว่าตอนที่เราจะลังตายนั่นเราพร้อมไหมมันยังค้างอะไรอยู่ไหมนะถ้าเราไม่ฝึกนะวันที่มันตายจริงๆเนี่ยเราจะทุกข์มากนะอันนี้ก็เป็นห้าอารมณ์เตรียมความพร้อมร่างกายจิตใจอารมณ์เตรียมเครื่องมือในการเดินทางนะก็เซสชั่นที่สองอริยบทสี่ตอนเก้าโมงเช้าถึงสิบโมง อันนี้ไม่มีเสียงใช่ก็เป็นเจตนาที่ว่าให้เราฝึกว่าเสียงดังก็สงบนั่งอยู่เฉยๆก็สงบเคลื่อนไหวเต้นแรงเต้นกาก็สงบนะแล้วก็ชั่วโมงเก้ามงเช้าเนี่ยเป็นชั่วโมงที่ง่ายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่เป็นชั่วโมงที่ยากที่สุดส่วนมากหลายคนไม่ชอบ เพราะมันไม่สนุกเป็นชั่วโมงที่เรามายืนเดินนั่งนอนมาดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครกันแน่ก่อนจะรู้ว่าเราเป็นใครต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นเช่นไรแค่ยืนเฉยๆนะไม่ต้องกำหนดนะถ้ากำหนดปุ๊บยังมีการกระทำเกิดขึ้นยังมีการฝึกเกิดขึ้นยังแฝงด้วยความอยากฝึกอยู่ตอนนี้หน้าที่เราคือยืนก็คือยืนง่ายที่สุดเห็นไหมไม่ต้องทาอะไรเลย แต่ยากที่สุดเพราะกิเลสความเคยชินเรามันไม่ชอบมันกลัวว่าเราจะเห็นมันเหมือนน้ํามันนิ่งสังเกตไหมถ้าใครสังเกตนะเอาน้ำเทใส่แก้วใส่ๆหนึ่งก็ตั้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันนิ่งเองมันไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนฝึกนะไม่ต้องฝึกสมาธิไม่ต้องเจริญสติมันก็นิ่งแล้วไงธรรมชาตินิ่งอยู่แล้วจิตเราเหมือนกัน เรียกว่ามาโนธาตุจิตใจเราเนี่ยเรียกว่ามาโนธาตุเนี่ยมันเหมือนน้ำปกติมันนิ่งอยู่แล้วแต่ตอนนี้ธรรมมันไม่นิ่งเพราะมันมีเชื้อทำให้เราไม่นิ่งคือความอยากนะกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยทำให้เรากระเพื่ออยู่เฉยๆไม่เป็นคิดโน่นคิดนี่เราสร้างเราเป็นคนทำให้มันไม่นิ่งปกติมันนิ่งอยู่แล้วตามธรรมชาติเหมือนน้า แต่เราไปเอาโปรแกรมความรู้ผิดเข้าไปไอความรู้ใดที่แฝงด้วยโลภโกรธหลงเนี่ยแล้วมันทําให้เราทุกข์นี่ถือว่าเป็นอวิชชาทั้งสิน้นไอตัวนี้แหละทําให้เราไม่นิ่งทีนี้การฝึกสมถะกรรมฐานฝึกสมาธินี่ก็รวมพลังกันเพื่อกดให้มันนิ่งอันนั้นก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งนะเพื่อเพื่อทําให้มันสงบชั่วครู่นะ แต่พอเลิกกดปุ๊บกลับไปบ้านก็วีนเหมือนเก่าเหมือนสปริงเราก็ไปกดมันไว้ตอนมีพลังตั้งใจกดมันก็อยู่พอเผลอปุ๊บอะไรนะชนปึ้งเด้งผางเลยเห็นไหมเราต้องทำลายสปริงซะทาลายมันช่วงทำลายก็ดีดมือ บ, บ้างต้องขันติต้องมีวิริยะดึงมันออกทำลายมันเมื่อทำลายมันเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องกดเลยมันสงบตลอดการ เพราะธรรมชาติมันสงบอยู่แล้วอย่างมนโนธาตุเมื่อกี้บอกเหมือนน้าเนี่ยเร า, เาไปแช่เย็นในตู้เย็นมันจะเป็นยังไงเอาปลอดมาวัดมันเย็นอุณหภูมิมันเย็นเอาไปแช่แข็งมันเป็นยังไงมันจากของเหลวกลายเป็นของแข็งนะเอามันไปต้มจากของแข็งละลายกลายเป็นของเหลวอีกต้มจนมันเดือดหายตัวไปเลยกลายเป็นอากาศธาตุนี่คือเหล็กไหลไง ไม่ต้องไปหาที่ไหนอยู่ที่นี่เราทำให้มันเย็นก็เย็นใจเราทำมันร้อนก็ร้อนใจมันสามารถเปลี่ยนสภาพมันได้ <c oughs> จากของเหลวกลายเป็นของแข็งกลายเป็นอากาศธาตุมันฆ่าคนก็ได้อันนี้มันร้ายมากนะมันร้อนจนมันฆ่าคนก็ได้ผู้รูเจ้าไปตัดสู้สิ่งนี้นะก็ อริยบทสเนี่ยคือเรามายืนเดินนั่งนอนดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครกันแน่ที่เขาตั้งชื่อให้บัญชาเนี่ยบัญชาเป็นชื่อสมมุตินะคนที่รักเรามากที่สุดน่ะเขาตั้งให้เราตั้งแต่เราเกิดมาเป็นเบบีเขาไม่เคยปรึกษาเราเลยตอนนั้นปรึกษาเราก็ไม่รู้เรื่องนะเขาก็เรียกตั้งชื่อที่เขาเรียกแล้วก็มีความสุขมากแถมศาสนาให้เราด้วยนะพุทธนะลูกพุทธนะพุทธนะพ่อพ่ อ, พอแม่ชอบมากมันดีมากแต่พ่อแม่ก็ยังทะเลาะ ก, กันอยู่นะ เออยังกินเหล้าอยู่นะแต่มันดีมากมันดีมากก็ให้เราถือพุทธซะเออให้เราเป็นคนดีไงแล้วก็ส่งให้เราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเรากลายเป็นสิ่งที่สังคมอยากให้เราเป็นเราก็เลยเอาชีวิตเราไปทุกเพื่อสร้างอนาคตเราไม่ได้ทำงานเพื่อชีวิตเลยนะนี่แหละเรามายืนเดินนั่งนอนไม่ต้องทำอะไรแค่ยืนเดิน นั่งนอนคําว่าแค่ น, นี้คืออย่างเดียวยืนพ้าคิดด้วยนึกด้วยอันนี้มันหลายอย่างอันนี้มันไม่ใช่เอกคตดารมณ์มันไม่ใช่สมาธิต้องตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมันมันง่ายนะแต่มันยากที่สุดถ้าเราทําได้ปุ๊บเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าในตัวเรามีอารมณ์อะไรบ้าง มีกิเลสอะไรบ้างที่มันซ่อนอยู่โอ้เราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่โอ้เราคิดแต่เรื่องอกุศลโอ้เราคิดแต่เรื่องอร่อยอร่อยคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดก็มโนกรรมแล้วไงบางคนถามพ่อครูว่าพ่อครูคิดดีมันไม่ดีอะไรคิดดีนั่นแหละตัวดี คิดดีจนไม่หลับไม่นอนไงคนมีความรับผิดชอบนะคิดจนไม่บัญญะบบรรยังไม่รู้จักพักผ่อนคิดจนเปไ็นใบเกรนคิดจนกลายเป็นมะเร็งก็ผู้เจ้าพูดไม่ผิดหรอกคุณสร้างกรรมอย่างไรคุณต้องรับอย่างนั้นคุณสร้างกรรมด้วยความคิดเป็นเป็นมโนกรรมมันก็ส่งผลคุณต้องทุกข์คุณต้องรับกรรมนั้นแน่นอนนะเออค่าคิดเฉย คนอื่นไม่รู้เราไม่ได้สร้างกรรมกับคนอื่นแต่เราก็สร้างกรรมกับตัวเองนะฉันว่าเรื่องนี้เนี่ยสิปีผ่านไปแล้วแต่มันมีสัญญาบันทึกไว้อยู่คืนนั้นก่อนจะนอนก็คิดถึงมันอีกคิดไปเห็นหน้าไอ้คู่อลิเรานะแค้ ม, มันมาสิบนปะีคืนนั้นมัน9ก้าปี11เดือน29วัน อีกแค่วันเดียวจะหมดแล้วคิดถึงมันอีกต่อวีซ่าไปอีกสิบปีแค่ น, นี้ต้องชําระสิบปียังไม่สายไงความคิดไงไปปลุกมันขึ้นมาตื่นอีกแล้วเห็นไละ่ะแล้วก็คิดจนวีนจนเครียดไม่เห็นหน้ามันเลยนะจนตัวเองนอนไม่หลับทั้งคืนเห็นไหมแล้วมันดีหมละ่ะนั่นละ่ะคิดก็คือมโนกรรมพูดในสิ่งที่ไม่จริงหรือพูดเสียดสีพูดว่าเขาเนี่ยคือวจีกรรม เขาร่างกายไปเบียดเบียนเขาแม้กระทั่งเบียดเบียนตัวเองอยากเป็นแชมป์เล่นซ้อมไม่บรรยัญญบบรรยังนะอันนี้ก็เป็นกายกรรมการสร้างกรรมมีสมสถานคือมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมนะอันนี้แหะคือโปรแกรมที่เซสชั่นสองที่ว่าอริยบทสเราเหมือนเราเป็นคุณหมอเราต้องวินิจฉัยโรคออกก่อนว่าในตัวเรามีไวรัสอะไรบ้าง มีโรคอะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างในที่มันทําให้เราไม่สงบแค่ยือนอยู่เฉยๆเดินอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆเหมือนน้มามันนิ่งฝุ่นละอองเม็ดนิดเดียวเองล่วงลงมาเนี่ยเราก็สัมผัสได้เห็นไหมใบไม้ล่วงลงมาเราก็สัมผัสได้นี่คือวิปัสสนาแต่ถ้าเราเล่นกระดานโต้ขึ้นอยู่ทะเลเห็นไหมเขาโยนหินใส่เราเนี่ยก้อนบักใหญ่เดืด ตุ้มไม่รู้เรื่องเลยขนาดที่เขากาลังจะฆ่าเราเราก็ไม่รู้เห็นไหมเพราะจิตใจมันไม่นิ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจเราไม่สงบนิ่งเนี่ยเราก็ไม่สามารถเห็นอารมณ์ตัวเองนะ้วก็ไปฝึกสมาธิฝึกสมาธิกดให้มันนิ่งแต่เราหารู้ไม่ว่ามันยังมีการกระทำอยู่โดยการกดเนี่ยนะมันนิ่งเพราะเรากดมันแต่มันไม่ใช่นิ่งเพราะมันว่าง ถ้ามันว่างจากความคิดต่างๆเนี่ยมันนิ่งโดยธรรมชาติตอนนั้นอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เหมือนเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนฝึกสมถะกรร ม, มาฐานเนี่ยเราไปดูละครอยู่เรานั่งดูทโทรทัศน์เนี่ยแค่เรานั่งดูเฉยๆเนี่ยนิ่งอยู่กับการมองทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยเห็นอารมณ์ทั้งหมดเห็นตัวแสดงทั้งหมดแต่ถ้าเราไปโฟกัสหรือว่าเราไปกําหนดที่นักแสดงคนใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วไปเพ่งพิจารณาตรงนั้นอ่ะเราจะพลาดโอกาสในการเห็นอารมณ์ทั้งหมด นั่นะถ้ามัวจะไปอยู่สมาถากรรมฐานานานๆสามสี่สิปีเนี่ยมันก็ได้ความสงบชัว่วครู่เราไม่ได้ไปเข้าไปในจิตในจิตไปดับต้นเหตุของมันคือไปเอาเชื้อเอาไวรัสที่ทำให้เราไม่สงบนี่ออกมานี่คือขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะเอาเป็นว่าโปรแกรมที่สองนี่ก็มีประโยชน์มากคนคนหนึ่งก่อนจะรู้คนอื่นคนโบราณเขาบอกว่าลบสึกเนี่ยนะต้องรู้เขารู้เรา ชนะทุกครั้งแต่ตอนนี้เราโวจะไปแอบดูเขาจนลืมว่าตัวเองมีกำลังเท่าไหร่นะแล้วก็ไปสู้กับเขานะเพราะอยากชนะเขาก็ถูกน็อกต้องรู้ตัวเองก่อนรู้ตัวเองก่อนเมื่อเราเรียนรู้จิตตัวเองแล้วเนี่ยเรามองตาเขาปุ๊บเราจะเห็นจิตเขาเลยเราเห็นชัดเจนเลยมันแค่ไหน ก็จิตเหมือนกันก็เราศึกษาเรียนวิชาจิตจนสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาก็มีจิตสัตว์ตั้งหลันก็มีจิตแล้วก็เข้าใจภาษาจิตต้องรู้เราก่อนเราค่อยไปรู้เขาอันนี้วิชาต่างๆในโลกทุกวันนี้มันสอนให้รู้เขารู้แต่ของนอกกายทั้งหมดนะตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาเห็นแต่แปลงสีฟันยาสีฟันเห็นเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้อง เห็นสามีภรรยาเห็นบ้านเห็นช่องเห็นการเห็นงานเห็นเงินเห็นทองพอกลางคืนหลับตาลงไม่เห็นอะไรเลยเหมือนคนตาบอดเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยวิชาผู้เจ้าทำให้เรามาดูตัวเองเมื่อเราดูตัวเองชัดเราจะเห็นจุดบกพร่องของมันจะทำอะไรก็ช่างเป็นนักกีฬาก็ช่างหรือเป็นนักการทำงานก็ช่างเมื่อเราเห็นจุดบกพร่องของตัวเองแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้นะอันนี้ก็โปรแกรมที่สอง แล้วก็ที่สามตอนบ่ายสองโมงจนถึงสี่โมงเยงนอันนี้สองชั่วโมงนะหลายคนชอบใช้คำว่าเป็นสมาธิเวี่ยงไปตั้งชื่อมันจริงๆแล้วพว่อครูไม่เคยตั้งชื่อมันไม่ใช่ชื่อสมาธิเราไม่ได้ฝึกสมาธิเราไม่จะเจริญสติเรากำลังเจริญมรรคจิตมรรคผลนิพพานไม่ใช่สติผลนิพพานไม่ใช่สมาธิผลนิพพานการปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรคผล นิพานนะแต่ตอนบ่ายนั้นเป็นช่วงที่เราจะปลดปล่อยจิตเราให้อิสระโดยใช้อุบายที่จริงแล้วเนี่ยอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็ได้ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปรู้อารมณ์ที่ใจนะอะไรก็ได้แต่ทำไมพักกูเลือกเสียง นะหลายปีมาเนี่ยพ่อครูอยู่กับสิ่งนี้ พ, พ่อครูจิตพิจารณาแล้วมองอารมณ์ของคนยุคนี้นะถึงเซตอัพโปรแกรมนี้ขึ้นมาผู้เจ้าบอกว่าเป็นไปตามเหตุและปัจจัยทุกวันนี้เนี่ยเรารุ่นต่อรุ่นครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาอุบายวิธีนั้นเราก็ไปอนุรักษ์ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ดีนะแต่วิธีต่างๆเทคนิคต่างมันก็เหมาะกับเวลานั้นเหมาะกับสิ่งแวดล้อมนั้น วิชาอยู่ป่าวัดป่าก็ต้องอยู่ป่าอย่าไปยุ่งกับโยมโยมมาเดินหนีเลยแต่ตอนนี้ทุกคนวิ่งไปหาโยมวัดโยมวัดป่าจะเป็นวัดโยมก็ เ, เทคนิคนั้นก็ใช้ไม่ได้ผลแล้วตอนนี้เราปฏิเสธโยมก็ไม่ได้เพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงใหม่ผู้เจ้าบอกเป็นไปตามเหตุและปัจจัยผู้เจ้าถึงเตือนว่าอย่าพึ่งเชื่อที่ทำตามตามกันมาพระองค์ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดี แต่มันไม่ทันยุคทันสมัยเพราะเหตุปัจจัยของโลกมันเปลี่ยนคําว่ารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งก็คือรู้ธรรมนั่นแหละไม่ใช่รู้ธรรมะดูตัวหนังสือไปท่องจําอยู่ตรงนั้นน่ะรู้ทฤษฎีก็กอดมันไว้ตามโลกไม่ทันไงรู้ธรรมคือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันสปีดเท่าไหร่กิเลสมันวิ่งร้อยกิน่นวแต่ชั่วโมงเราต้องร้อยี่สิบไม่ใช่ไปฝึกช้าๆได้พาเลื่มงาม 1ิกิโมตรตช่วโมงมันจะทันหรือเปล่านะอันนี้คือประเด็นที่ว่าตอนบ่ายเนี่ยพอครูใช้เสียงทำไมเราลองดูนะเดี๋ยวกลับห้องพักนี่ลองดูนะเอาอะไรมาอมก็ได้แล้วก็นั่งหลับตานิ่งๆมาลิมรสที่ลิ้นมารู้ที่ใจลิมรสที่ลิ้นมารู้ที่ใจเดี๋ยวมันดึงระหว่างลิ้นกับใจมันจะเกิดแรงหมุนขึ้นแต่มันเล่งสติไม่ได้ ถ้าเล่งแรงๆเดี๋ยวไอ้ที่อมอยู่มันตกลงไปในคอนดีมั้ดีพุ่งออกมาเลยนะใช่หทีนี้พระอาจารย์หลวงพ่อคงเนี่ยท่านใช้กลิ่นท่านใช้ลมหายใจที่เราพุทโทพุโทโธหรือตั้งชื่อพุทโทธรรมโมสังโฆอะไรก็แล้วแต่มันเป็นครูบาอาจารย์รุ่นล่างหลังเนี่ยไปสร้างทฤษฎีใหม่ไม่ใช่ผิดเป็นอุบายวิธีเป็นเรียกให้มันจาง่ายนะอันนั้นคืออะไรคืออากาศหายใจก็คือกลิ่น ไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับอยานะอยู่ที่ว่าเราจะไปตั้งชื่อใหม่อา้าวหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทสั้นก็รู้ยาวก็รู้นะบางเอิญถ้ามันยาวแล้วมันฟลุกไปชนถูกใจเมื่อไหร่ม่เกิดแรงดึงระหว่างจมูกกับใจมันก็หมุนได้มันก็เกิดแรงหมุนนะแต่พระอาจารย์หลวงพ่อคงท่านเห็นไงท่านไม่ใช่สั้นก็รู้ยาวก็รู้ท่านบอกว่า ซื้ดเข้าไปให้มันชนหัวใจเลยนั่นแหละไม่กี่นาทีก็หมุนเลยมันดึงระหว่างข้างนอกกับข้างในแต่ทีนี้ถามว่าพวกเราซื้ดได้กี่นาทีเป็นลมก่อนเห็นไหมแล้วผู้เฒ่าผู้แก่ก็ทําไม่ได้เพราะกูดูมาหมดแล้วที่เขาเพ่งกสินกันนะะเขาเพ่งกระสินเพ่งกสินเพ่งอสุภาะเกิดสังเวชอุ๊ยเน่าเหม็นนะเห็นไหมอสุภาษิษนะ ไปดูท่าโน้นท่านี้นะเป็นอุบายนะอันนั้นคือใช้รูปไงใช้เรามองเห็นรูปไม่เกิดสังเวชความรู้สึกสังเวชเกิดที่ไหนเกิดที่ใจมันดึงลงไปในใจแล้วมันก็ดึงมาที่ตาแล้วก็ที่ใจมันก็เกิดหมุนเหมือนกันแต่บางทีใช้เวลาหลายปีบางทีมันฟลุกเห็นเราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนจะลองดูนะเอาผัสสะ ไปเจ็บที่ขามารู้ที่ใจเดี๋ยวมันก็หมุนเราต้องรู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรสามชั่วโมงที่มันเกิดก็พรากูพวกูเห็นเหมือนมีอะไรถ่ายทอดให้พวกคูเห็นทั้งหมดตอนนั้นพวกกูไม่เรียกไม่รู้ว่ามันเรียกชื่อว่าอะไรไม่รู้หรอก อ, อัยตนะภายนอกอัยตนะภายในวิญญาณหกไม่รู้โชคดีมากที่ไม่รู้ถ้ารู้มันจะวิจัยไปด้วย <c oughs> นะแทนที่จะปล่อยมันอิสระนั่นเอ๊เอ๊ มันกำลังจะวิ่งก็หยุดแล้วเอ๊ะเอ๊ะยู่ตรงนั้นแหละดึงชักกระเยอะกันบังเอิญโชคดีมากไม่รู้เขาก็ทําให้เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะครูจึงรู้ว่าตอนนี้เขาใช้อุบายวิธีใดๆทั้งนั้นนะเพื่ออะไรแต่บางทีทําไมทํามาก็ไปหลงติดอุบายแบกอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเลยสบายๆมันสงบไงมันสงบชั่วครู่ไม่ใช่สงบถาวร สงบถาวรต้องเข้าไปถึงจิตในจิตไปล้างอาสุสิ่งโสกปกในนั้นๆนต้นเหตุที่ทําให้เราไม่สงบเนี่ยแล้วสุดท้ายมันจะระเบิดไอกล่องบันทึกสัญญาตัว น, นั้นทิ้งนั่นแหละเข้าสู่ศุญญาตาคือว่างจากอัตตาเป็นความสงบอย่างยิ่งไม่ต้องไปกดเหมือนไว้นะต้องเข้าถึงปัญญาจิตมันถึงจะรู้ว่าต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนนะ ก็ช่วงบ่ายเนเราใช้เสียงผู้ปฏิบัตินไม่ต้องกำหนดอะไรเลยแล้วเสียงนไม่มันมีสายหนึ่งอยู่กรุงเทพนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเขานั่งหลับตาแล้วก็เปล่งเสียงออกมานาสร้างเสียงขึ้นมาก็เกิดสั่นทะเทือนมันหูได้ยินกันทุก็สันสเทือนแล้วพอแสดงอาการบอก ปุ๊บหยุดเจ้ากรรมในเวรมาทวงนี่ไปทําบุญแล้วก็กลับบ้านเขาเข้าใจว่าคำวันนะเนี่มันศักดิ์สิทธิ์้ยมันก็เสียงนี่แหละไม่ไม่ต้องทำอะไรเปิดเพลงส น, สนุกสนุกอะ่ะเต้นเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียพลังงานแล้วก็รีไวายไประลึกชาติเป็นร้อยหลายพันชาติเนี่ย ก็ไม่ต้องเหนื่อยงไงลองหายใจดูได้กี่นาทีพวกครูเห็นอย่างนี้พวกครูถึงเลือกเอาเสียงนี่แหละเป็นหลักแรกๆมาอเมริกาใหม่ๆยี่สหปีก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าสิบเอ็ดปีไม่รู้ละคังแตกไปกี่ลูกที่นี่พวกครูตีไม่เคยแตกหรอกแต่พอกองเชียเนี่ยพวกครูไม่อยู่เอามาตีปุ๊บแตกหมดเลยพราใช้ใจตีตั้ง ทุกคนรู้เลยว่าไม่ใช่พ่อคูตีเพราะเสียงมันด้านมากพ่อคูตีไม่ได้แรงนะแต่เสียงมันก็พึ่มขึ้นมานตอนนั้นเราใช้เสียงระฆังพอมีไฟฟ้ามาปีนั้นอยู่ๆมีการายมิรมาจากขอนแก่นถือวิสาส ะ, ะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเทพคัเตเสร็จนะอย่างเทพคัเตเสร็จก็เอามาเปิดเพลง พวกโภที่สัตว์กวนอิมพวกคูเดินมาให้มันเกิดอะไรขึ้นพวกคูก็นั่งฟังเฮ้ขึ้นมันใช้ได้ตอนนั้นเราก็ไม่ต้องเปลืองระครังไม่งั้นพวกกูตีนะเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่ได้นอนเลยนะใครไม่หยุดนี่พวกคูไม่ปล่อยนะเฝ้าจะถึงสว่างก็เอานะกว่าจะนานๆเจอจิตแบนมันดวงหนึ่งให้เขาเต็มที่นะอันนี้คือเสียงได้ยินเสียงที่หู ธรรมชาติมันมารู้ที่ใจนะเสียงนี่คืออิจนาภายนอกหูนี่อิตนาภายในเมื่อกระทบกันมันเกิดผัดสะขึ้นมันเหมือนเราเฟี้ยงฟุตบอลเนี่ยเข้าข้างฝาเนี่ยเฟี้ยงแรงปุ๊บมันก็อิมแพคมาแรงเห็นหอันนี้เป็นพลังงานอย่างหนึ่งมันก็ดึงจิตให้เรามารับรู้ผัดสะแต่ถ้าเรานอนหลับถ้เรานอนหลับสนิทเลยเนี่ย ภาษาหูมันดูดเสียงเข้ามาทําไมเราไม่ได้ยินเพราะโสตวิญญาณวิญญาณหูมันไม่รับรู้เสียงการได้ยินไม่เกิดขึ้นไม่ใช่หูเป็นตัวได้ยินนะไม่ได้ทําลายปภาษาหูทิ้งแล้ไมมันไม่ได้ยินบางทีลูกร้องไห้เด็กๆร้องไห้เราไม่ได้ยินเห็นไหมไอ้ตัวได้ยินคือวิญญาณหูเมื่อมันตื่นอยู่มันได้ยินภาษาหูดูดเสียงเข้ามาไอ้วิญญาณหูรับรู้เสียงแต่มันไม่รู้ว่าเสียงอะไร มันต้องส่งเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปในจิตกล่องบันทึกโปรแกรมอยู่มันเกาะ อ, อยู่ที่ใจถ้าตัวนี้ตื่นอยู่มันก็รู้ว่าเสียงในแดงมันร้องถ้าเป็นฝรั่งเขาบันทึกสัญญาเป็นภาษาต่างกันก็บอกเสียงมิสเตอร์เรดไอ้ที่รู้จริงๆว่าอะไรเนี่ยมันอยู่ข้างในพอรู้ป๊บแลเกียดในแดงอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน ฉันกำลังนอนอยู่เธอมากวนฉันอีกเนี่ยเวทนาก็เกิดเลยอยู่ที่ใจวินเลยนี่คือขบวนการทำงานของวิญญาณหกเมื่อเราเห็นตรง น, นี้ชัดเจนแล้วเราจะไม่ติดบ่วงอุบายวิธีใดๆจะไปเรียกชื่ออะไรก็ช่างมันเป็นแค่อุบายก็ทำไปเถอะแต่อย่าไปหลงติดมั น, นไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวกับอายตนะก็ช่วงบ่ายเราใช้เสียงเราเสียงดังหัวใจเต้นแรงเท่ากัน เพราะมันหวงจิตเรามากจิตใจใจมันดึงจิตเราไว้ตลอดชีวิตเขาเรียกว่าจิตใจเราเข้าใจว่าเรื่องเดียวกันไม่ใช่นะใจคืออะไรใจก็เหมือนก้อนเนื้อก้อนหนึ่งมีหน้าที่ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นโกดังเก็บอารมณ์แต่ถ้าไม่มีจิตวิญญาณนะหัวใจมันไม่เต้นหรอกเหมือนหูเหมือนกันมันมีใบหูประสาทหูติ่งหูถ้าไม่มีวิญญาณหูไม่ได้ยินอย่างคนตายใหม่ๆเนี่ยนะทําไมสมองคิดไม่เป็นทําไมหูไม่ได้ยิน ทำไมหัวใจไม่เต้นเห็นไหมรีบผ่าตัดไอหัวใจที่มันไม่เต้นแล้วเนี่ยเอาไปให้คนอื่นที่หัวใจล้มเหลวทำไมมันเต้นขึ้นมาอีกมันเต้นด้วยตัวมันเองไม่ได้ถ้าไม่มีพลังจิตอันนี้คือขบวนการทำงานของวิญญาณหกซึ่งเป็นพลังงานของจิตเขาเรียกว่าจิตใจมันอยู่ด้วยกันคำว่าหูเนี่ยมันประกอบด้วยใบหูประสาทหูนติ่งหูแล้วก็วิญญาณหูความเป็นหูถึงสมบูรณ์ นั่นแหละเรานอนหลับสนิทเราไม่ได้ยินเสียงเพราะอย่างนั้นบางทีเราเก่งหลับเก่งตื่นเราได้ยินเสียงอยู่แตไ่ไอจิตมันไม่ได้สนใจมันก็สักแต่ว่าได้ยินถ้าชีวิตเราทําอย่างนั้นได้นะใครทําให้เราทุกข์ก็ไม่ได้นี่แหละสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ากระทบผัสสะถ้าเราทําได้แค่นั้นเวทนาไม่เกิดนะอันนี้คือกระบวนการทํางานของมันแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ย เราต้องสร้างแรงเหวี่ยงเพื่ออะไรเพื่อปลดปล่อยให้จิตหลุดพ้นจากความเป็นทาตของใจนะคำว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมมันไม่ใช่บางคนบอกว่าพ่อครูมันหลุดพ้นมนันหนีไปไหนแล้วฉันจะตายหรือเปล่ามันไม่ได้ออกไปไหนมันไม่ได้ออกจากล่างแต่มันออกมาจากแรงดึงดูดของใจทีนี้หัวใจมันเต้นเห็นไหมหัวใจเต้นนี่เป็นพลังงานโดยธรรมชาติซึ่งเรานอนหลับสนิทเลย ถ้ามันเลิกเต้นเราก็ตายสิ่งที่มันหยุดไม่ได้ตลอดชีวิตเราคือหัวใจเต้นโรงงานที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยทำงานหนักมาตลอดชีวิตเราไม่เคยรักมันเลยเราไม่เคยดูแลมันเลยเราใช้มันไม่บัญญาบัญญังเพื่อจะไปสร้างอนาคตกลัวมันตายชาถ้าเรามารู้ตัวเองว่าโอ้โหสิ่งมหัศจรรย์ตัวนี้เนี่ยมันมหัศจรรย์มากจริงๆ เห็นมที่นี่นั่งหลายๆคนพวกคุไม่เห็นมีใครเสียบปลั๊กไฟเลย <c oughs> หัวเราะเป็นร้องไห้เป็นกินข้าวเป็นเดินเป็นเราไปหลงคอมพิวเตอร์มันเก่งมากเก่งมากลองไม่มีไฟฟ้าชาติมันจะรองทานหมดสิตอนนี้ไม่ใช่ทานหมดไ ฟ, ไฟฟ้าหมดนะเงินหมดเงินหมดก็พูดไม่ได้ล่ะไอ้ร่างกายตัวนี้ไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยเห็นไหมมันมีสัญญาณเตือนภัย เวลาหิวไม่ยอมกินทอมก็ร้องกรอกกลอกๆอกเธอหิวแล้วกินข้าวหน่อยมันเตือนเห็นไหมไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกด้วยนะทำงานไม่บัญญะบรรยังไม่หลับไม่นอนเที่ยงคืนแล้วนาฬิกาบอกเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วนอนไม่ได้พรุ่งนี้ต้องส่งงานงานไม่เสร็จจะไม่รวยมันหาวหาวใหญ่เลยถึงเวลานอนแล้วเธอนอนเถอะเห็นไมเรามีอัตโนมัติ แต่เรายังไม่แยแสมันมันหาวหาไปฉันทำต่อเพราะสู้ความอยากไม่ได้ไม้มไม่กระทั่งเราจามเราอะไรเนี่ยมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติทุกวันนี้เราท้องอืดท้องร่วงปวดท้องบอกไม่ปกติไปหาคุณหมอคุณหมอเอายาระบายคุณหมอเอายาแก้ปวดมาละงับปวดชั่วคราวเราบอกว่าเราไม่ปกติ จริงๆแล้วปวดหัวท้องอืดท้องร่วงเป็นความปกติมันเป็นสิ่งที่ดีปวดหัวนี่เป็นสัญญาณเตือนภัยนะว่าเธอใช้ร่างกายมากเกินไปเฉยใช้ความคิดมากเกินไปหยุดเธอเราแก้โดยเอายาพารามากินแล้วก็ประสาทมาให้รู้สึกปวดแล้วก็คิดต่อนั่นแหละไม่เกณฑ์ตามม า, มาเมล่งก็ตามมาเพราะเราไม่เคยรักมันเลยเราไม่เคยดูแลมันเลยเราใช้มันอย่างไม่บร ญ, ญยบบญรยง นะเรารู้ขบวนการทํางานของร่างกายเราแล้วเนี่ยเราถึงรู้เหตุผลว่าผู้เจ้าทําไมใช้อุบายนั้นอุบายนี้มันเป็นเทคนิคแต่ทํำไมทํำไปหลงเทคนิคไปเรียนทีละขั้นทีละขั้นมันก็แป๊กอยู่ตรงนั้นนะเสียงเนี่ยกระทบแรงปุ๊บจิตมันวิ่งมาแรงหัวใจมันกลัวมากว่าจิตจะทิ้งมันมันก็เต้นแรงเหมือนกับไม่จะดึงจิตกลับมาคืนเห็นไหมเราเฟี้ยงบอลแรงปั้งมันก็ อิมแพคเข้ามาแรงถ้ามันเร็วหัวใจก็เต้นเร็วเหมือนกันมันก็ดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยแรงเหวียงก็เกิดขึ้นหูดึงมาใจดึงไปหูดึงมาดึงไปเราทําตัวเป็นกลางเราคือจิตมัชชิมาปฏิปทาคือเราไม่เข้าข้างนายหูกับในายใจสองคนนี้มันเป็นเพื่อนเราแต่เราอยู่กับนายใจมาตลอดชีวิตมันบอกเธออยู่กับฉันสุขใจสุขใจนะ เราไม่เข้าข้างในใจแล้วว่ามึงอย่าหลอกกูมึงหลอกกูมาตลอดชีวิตละแล้วก็วิ่งไปเยี่ยมเพื่อนเราที่ในหูบอกว่าเฮ้ยเพลงเพราะเพราะอยู่กับฉันบอกว่ามึงอย่าหลอกกูอีกมึงอย่าทะเลาะ ก, กันแล้วก็ไม่เข้าข้างในหูมันก็ดึงระหว่างหูกับใจเนี่ยเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นเหมือนเราหมุนลูกข่างเราต้องใช้สองนิ้วเห็นไหมพอหมุนปุ๊บมันเวี่ยงพอเวี่ยงไปเวี่ยงมาทําไมมันนิ่งเองมันต้องไปฝึกไหมมันต้องไปโรงเรียนไหม ใครทําให้มันนิ่งลูกคางทําไมมันนิ่งเองแรงเบี่ยงทําลายสนามแม่เหล็กเมื่อมันเบี่ยงแรงแรงะแรงมันก็ตัดแรงดึงดูดของไออัยตนาต่างๆโดยเฉพาะจิตเรานะเมื่อมันหมุนเร็วๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหัวใจเต้นเบาๆมันก็วิ่งไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเกาะ อ, อยู่ที่ใจเห็นไหมเมื่อเรามันดึงไปดึงมามันเกิดแรงเหบี่ยงขึ้นทีนี้ไอ้หูดึงไป ฉันก็ไม่ได้ไม่ไปไอ้ใจดึงมาฉันก็ไม่ไปเราอิสระแล้วเราหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของใจเราอิสระจากใจเราจะเข้าไปสู่จิตในจิตเข้าไปสู่จิตเดิมของเรานี่คือมหาสติปัฏฐานกายในกายเวทนาเวนาจิตในจิตธรรมในธรรมซึ่งคุณหมอสมบัติบอกว่าพึ่งมาสัมผัสคําว่าจิตในจิตฝึกมาหลายปีมวัวแต่อยู่สติอยู่กับอยู่กับ อ, อ, อริยบทของร่างกายอยู่ที่ฐานกายฝึกสมาธิจเจริญสติ จึงไม่มีโอกาสสัมผัสคําว่าจิตในจิตถ้าเราไม่เข้าไปจิตในจิตเราไม่สามารถไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสตอนนี้ไปดูกายดูอริยบทกายดูลมหายใจแล้วก็ไปดูเวทนามานั่งดูจิตบ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตก็ไปนั่งดูมันก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันเห็นอารมณ์หยบหยาของมันเนี่ยคิดว่าเป็นธรรมในธรรมไม่ใช่เป็นแค่เวทนาเฉยๆไปส่องดูกระจกบ้านข้างในมันก็ยังเปื้อนก็ยังเปื้อนอยู่นะ เพ่งไปจนตายมันก็ยังเปื้อนอยู่เหมือนเก่าต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิตไปขัดเกาจิตให้ผ่องใสมันก็จะมีวันสะอาดไงเรายังอยู่ในขบวนการเจริญสติอยู่ก็ช่วงบ่ายนี้ก็สําคัญจริงๆแล้วสาคัญทั้งหมดล่ะแล้วช่วงบ่ายนี้ถ้าบังเอิญเราเหวี่ยงแรงๆมันดีดเข้าไปในระลึกชาติเนี่ยก็ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปกลัว ไม่ต้องไปดีใจเสียใจเห็นสวรรค์คําว่าเวี่ยงทิ้งเนี่ยพระครูให้เครื่องมืออย่างเดียวเดินป่าเอาเครื่องมือไปอย่างเดียวคือเวียงทิ้งไอ้คำว่าเหวียงทิ้งนี่มันไม่ใช่คําบริกรรมไม่ม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเรียกมันเป็นกิริยาคือสลัดไม่ใช่ไปสลัดอารมณ์นั้นทิ้งนะนะเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะไปหลงมันทิ้งบอกเราว่าวางวางวา ง, วางผ่านไปเรื่อยๆคือเตือนเราว่าอย่าไปติดมันหลายคนไปติดสุกนะ นะหลวงพี่ท่านหนึ่งอยู่ที่นี่อยู่หลายปีก่อนปฏิบัติและลึกชาติท่านก็เคยเป็นเป็นหลวงพี่เหมือนเก่าบวชมาหลายชาติละไปอยู่ในอารมณ์ฌานในตอนนั้นน่ะอุย้ยสุขมากๆเลยจิตปัจจุบันนี่กลัวอารมณ์นั้นมันหายนะกออยู่ตัว น, นั้นล่ะกลัวมันหายไงไปติดสุขไงไปติดสุขมันก็แป๊กไงเหมือนเราเดินป่าใช่ไหมเฮ้ดอกไม้นี่สวยนะ เราเรียนชีววิทยาใช่ไหมเราต้องการไปวิจัยหน่อยมือนว่าไปไปวิจัยดอกไม้นะไปวิจัยมันไปวิจัยบางทีตายก่อนนะหลงป่านะเสือมามันก็กินเราไฟไหม้ป่าเราก็ตายบางคนเดินไปเดินมาเฮ้ยน้ําตกสวยมากนะก็เลี้ยวเข้าไปเล่นน้ําตกนะบางทีตกน้ําตายเลยนะนี่แหละคือเราไม่เหวี่ยงทิ้งเราเดินป่าสวยเหวี่ยงทิ้งไม่ใช่เวี่ยงความสวยไม่ใช่เวี่ยงดอกไม้นั่นทิ้ง เวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะไปหลงมันทิง้งนี่เป็นการใช้สติดำเนินไม่ใช่ไปฝึกสติคือใช้เลยใช่ไมเหมือนเราขี่จั ก, กรยานนะขาก็ถีบไปมือก็จับแฮนไปตาก็มองข้างหน้านั่นแหละคือใช้สติใช้สมาธิดำเนินไงนี่คือมารกไงสติสัมปชัญญะต้องรู้ทั้งหมดไม่ใช่ไปฝึกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอันนั้นเป็นอุบายวิธีเป็นการรวมจิตเบื้องต้นไม่ใช่ผิด แต่ทาไปทํามาก็ไปแป๊กอยู่ที่น่นมันเสียเวลาชีวิตนะก็ช่วงบ่ายนั้นเราสร้างแรงเบี่ยงท่านั้นเองเดี๋ยวทุกคนจะเจอเทคนิคของตัวเองบางคนลองหมุนไปซ้ายบางคนลองหมุนไปขวาบางคนหมุนหน้าหมุนหลังก็ทําเถอะชอบยังไงก็ทําไปเถอะตํารวจไม่จับไม่ต้องขออนุญาต ด, ด้วยนะขอให้มันเคลื่อนไหวนะแล้วก็พอมันเหบี่ยงแรงๆแล้วทีนี้เดี๋ยวเหมือนลูกข่างเราหมุนปุ๊บ มันเบี่ยงแรงๆปุ๊บมันก็นิ่งที่มันนิ่งเนี่ยไม่ใช่มันไม่ไม่เบี่ยงนะมันเวี่ยงแรงที่สุดเลยเหมือนทอรนโดเนี่ยมันรวมตัวกันปุ๊บกลายเป็นทอรนโดเนี่ยเราอยู่ในศูนย์กลางเนี่ยนิ่งไหมอ่าตอนนั้นอะไรความคิดเราหัวใจเต้นกระชากเราออกมาไม่ได้เพราะมันมี protection แรงเบี่ยงมันสักับเราไม่หมดเฮลิคอปเตอร์เราหมุนใหม่ๆสตาร์ทใหม่ๆเหาะไม่ได้นะเพราะมันหมุนแรงๆเนี่ยก้อนเหล็กเป็นพันกิโลมันเหาะขึ้นไปบนอากาศได้ แรงเหวี่ยงมันสร้างพลังงานทำลายสนามแม่เหล็กอันนี้แหละผูเ้เช่าไปตัดสรุ้เรื่องอาณาปานาสติที่แท้จริงนะอาณาลมหายใจเนี่ยตั้งชื่อพุทโธธรรมโมสังโฆก็ตั้งไปไม่เป็นไรต้องพัฒนาอาณากายเป็นปานะขึ้นมาเป็นปราณขึ้นมาไม่งั้นจิตไม่มีพลังหลวงปู่มัน่นหมุนติ้วติ้วระเบิดเลยหลวงพ่อชาก็หมุนติ้วติ้วระเบิดเลยท่านระเบิดสามครั้ง ถ้าจิตมันไม่หมุนแล้วมันไม่มีพลังที่จะปลดปล่อยตัวเองนะแล้วฝึกวิธีไหนก็ช่างเพื่อให้มันเกิดพลังเมื่อจิตเกิดพลังแล้วเนี่ยมันต้องสร้างแรงหมุนเพื่อมันจะสลัดให้มันดูดพ้นจากแรงดึงดูดของอายตนะนี่คือขบวนการทำงานของธรรมชาติในร่างกายเรานะพอครูไปเจอตอนนั้นก็ไม่ต้องไปมาใหม่ใช่ไหมอ่ะไปเรียนกอไก่ไปเรียน A บซ มันไม่ใช่เรียนแบบนั้นเรื่องจิตวิญญาณเราฝึกมาหลายชาติแล้วไอ้ที่ฝึกฝึกมามันก็ทิ้งเปล่าสิผู้เจ้าสอนวิธีเข้าไปในจิตเข้าไปในเว็บไซต์ไปเอาบา ร, รมีเก่าเรามาต่อยอดเราจบปริญาโทรทางวิศวะมีเหตุผลไม่จะมาเรียนอนุบาลใหม่แล้วก็มาต่อปริยาเอกจิตเขารู้เองว่าเขาจะต่อยอดแบบไหนไอ้ที่ฝึกฝึกมาหลายชาติมันไม่ได้หายไปไหนนะเราต้องเอามาใชา้ไม่งั้นเราสู้กระแส กำรรมไม่ได้ก ร, รมหลายชาติเหมือนกันก็ไล่บี้เราอยู่นะอันนี้ก็เสียเวลาอธิบายหน่อยหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็นโปรแก ร, รมที่เราปฏิบัติเป็นปกติของเรานะไม่ใช่มาใหม่จะไปเรียนกอไก่ขอไข่หม่ที่นี่มาใหม่ก็ปฏิบัติร่รวมกันอายุขวบหนึ่งก็ปฏิบัติเก้าสิอยู่เหมือนกันเพราะเราจเจริญมรรคเราเดินทางได้ด้วยกันไม่ใช่ไปฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นทีละสเต็ป ไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณนะทีนี้กลางคืนเนี่ยเรียกว่านานาจิตตังทำไมเรียกว่านานาจิตตังไอ้คำว่านานาจิตตังมันก็มีคำตอบอยู่ในแล้วว่าแต่และดวงจิตเนี่ยไม่เหมือนกันฟรีสไตล์ไม่มีการบังคับสั่งว่าต้องทำอย่างนั้นท่านวนท่านนี้ฟรีสไตล์เอาสิ่งที่จิตเราเนี่ย จลิตเราชอบทําไปเลยกลางคืนเนี่เป็นการช่วงกลางคืนนี้เป็นการเจริญมาหาสติปัฏฐานที่แท้จริงแต่ช่วงตอนบ่ายเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงเบี่ยงเพื่อให้เราเข้าไปดูอดีตมันเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาญญาญรู้ว่าด้วยการระลึกชาติเราจะไปหาที่มาของเราว่าทําไมเราต้องเกิดมาอยู่ในร่างนี้ทําไมในกอไอคิวสูงไอในขอไอคิวต่ําเกิดมาพร้อมกันเป็นลูกฝาแฝด DNA คล้ายๆกันทำไมไอ้ น, นี่ขี้แยนี่ไม่ขี้แยวิทยาศาสตร์ช่วยตอบหน่อยมันทำไมสมัยก่อนพ่อครูมาอเมริกาใหม่ๆตอน25ปีก่อนมันยังไม่ฉลาดเนาะมันก็พูดซื่อๆเนาะเด็กสองคนเกิดมาพร้อมกันทำไมคนนี้ i อสูงคนนี้ i อคต่ำคนนี้แข็งแรงนะักวิทยาศาสตร์ก็บอกพ่อครูนะก็บอกว่าเอา้ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันไง พ่อแม่มันดูดีแพทแม่พันดีอันนี้พันไม่ดีมันก็เลยฉลาดว่าเาเด็กฝาแฝดกันแล้วกัน <c oughs> อยู่ในท้องแม่เดียวกันนั่นแหละไล่กันออกมาเลยดีเอเอเหมือนกันล่ะแล้วทําไมอันนี้ขี้แยนนี้ไม่ขี้แย่อันนี้แข็งแรงนี้ไม่แข็งแรงล่ะยังไม่ได้สอนอะไรเลยนะทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะนั่นแหละชั่วโมงตอนบ่ายเราจะรีวิวเราจะไปเห็นเลยว่าอ๋อผู้เจ้าตัดสู้ทำเป็นวิชาแรกที่ผู้เจ้าตัดสู้คือบุพเพนิวาสานุสติยาน ยานรู้ว่าด้วยการระลึกชาติสมัยเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรมาเยอะแย ะ, ยะนะแต่เขายอ่อลงมาผู้ริเจ้าสิบชาติอะไรเนี่ยทําให้เรารู้ว่าท่านทําอะไรมาบ้างทุกดวงจิตนั่งอยู่ที่นี้เนี่ยถ้าเราสะสมกองกระดูกเราเนี่ยน ะ, นะทุกดวงจิตมีกองกระดูกสูงเท่าภูเขาพัทสุเมนสนุกดีนนะเนาะเกิดเยอะมากนะ พอเผาปุ๊บตายแล้วไปเผาปุ๊บก็กลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือก็เป็นธาตุดินดินไม่มีแม้แต่หนึ่งเม็ดไม่เคยผ่านความมีชีวิตมาแล้วไม่ต้องกลัวผีนะบางคนถามว่าพวกลัวที่นี่มีผีไหมที่ไหนมีดินที่นั้นมีผีหมดนะผีก็อยู่ส่วนผีนะผีในใจเราหน้ากลัวกว่านะไอผีที่มัน เป็นวิญญาณล่องลอยหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเาก็อยู่ส่วนเขายมพบาลยังทำอะไรเราไม่ได้เลยผีจะทำเราได้ไม่ได้ยังไงเห็นเห็นผีก็เป็นโรคผีหัวโขนชักดิ้นชักงอหัวล้นหมดผีไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันผีหลอกมันไม่ใช่ผีจริงเราออกหลอกตัวเองเรากลัวเองนะเรากลัวเองจนกลายเป็นมันหลังฮอร์โมนกลัวขึ้นมาผีมันทำอะไรเราได้เราโดนผีหลอกไงมันไม่ใช่ผีจริงนะก็ สี่โปรแกรมก็มีมีอย่างนี้นะให้เข้าใจอย่างนี้คือมีคำถามมาก็ถ้าในชาตินี้เราล้างอุปทานเก่าในแต่ละชาติที่ผ่านมาได้ไม่ไม่หมดแล้วจิตจะบรรลุธรรมได้อย่างไรค ะ, ะไม่มีทางหมดไม่มีทางหมดหรอกเห็นไกองกระดูกเราสูงเขา้าภูเขาซุ้มเมนบางคนบอกว่าอุ้ยต้องไปจ่ายหนี้เจ้ากรรมในเวรทาบุญเพื่อให้เจ้ากรรมในเวรเนาะ เจ้ากรรมในเวียนเราเนี่ยบางคนมันยังไม่เกิดเลยนะมันเป็นอสุ ร, รากายล่องลอยอยู่นะบางทีมันอยู่ในนรกนะเปตอสุ ร, รากายเนี่ยบางทีมันก็ยังเป็นเทวดาอยู่รอไปจ่ายมันหมดแล้วในนะกี่ชาติละ่ะองค์คุริมานเนี่ยในชาติสุดท้ายนั่นห่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนถ้าอ่านถ้าไปอ่านให้มันรู้รอบให้มันอ่านหมดหน่อยนึงอย่าไปอ้างที่จุดใดจุดหนึ่งต้องรู้ทั้งหมดองค์คุริมานี่ผิดศีลไหมฆ่าสัตว์ไหม ไม่ได้ฆ่าสัตว์นะฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าในชาตินั้นนะถ้าบวกกับของเก่าด้วยอีกกี่ชาติแล้วองคุริมาทบันรุนปเป็นอหรหันได้นี่มันพิสูจน์แล้วว่านี่กรรมเราจ่ายไม่มีวันหมดเรามีหน้าที่เพ่นหนีออกจากวัตตาสงสารสมุดว่านี่กรรมแค่นี้ ผู้เจ้าก็ไปตรัสรู้นะโอ้โหถ้าไปจ่ายหนี้กรรมหมดละชาติมังจะไปจ่ายได้ยังไงหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งชีวิตนะเสว่าทุกคนเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่ไม่มีแม้แต่หนึ่งดวงจิตไม่เคยเป็นขุนศึกนะดีไม่ดีเป็นผู้นําแผ่นดินด้วยนะคล้ายๆว่ายุคไหนท่านเอกยุคสมัยก่อนเขาไม่มีอายุวันิวุเคลียเขาไม่มีปืนไม่มีอะไรเนะี่ยคือดาบต่อดาบเลยใส่เลยนะบันทึกชัดเลยนะฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้เนะี่ยหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งชีวิตเราจะไปจ่ายหมดได้ยังไง เราตายมันก็จ่ายหนี้กรรมแค่คนเดียวที่เราฆ่ามันนะแล้วอีกเป็นแสนเป็นล้านหลายๆชาติฆ่ายังไงพระเจ้าไปตรัสรู้สิ่งนี้เอาละ่ะที่เราขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเรามายอมรับกรรมทางจิตเนะี่ยมันก็ลดทอนลงไปบ้างแล้วเราจเจริญวิปัสนาเนี่ยเราก็เพิ่มฝ่ายกุศลละจิตขึ้นมาฝ่ายนี้ก็ลดวิธีนี้มันแรงไงเพราะมันไม่มีวิธีแนวที่นี่มันไม่มีแนวนะมันบ้าบอ มันลดกรรมด้วยมันเพิ่มบารมีด้วยมันลดด้วยมันเพิ่มด้วยมันแรงทีนี้ฝ่ายบารมีมันมากกว่าเนี่ยเขาเรียกว่ามันตัดกรรมคำว่าตัดกรรมนี่ไม่ได้หมายว่ากรรมมันหมดนะเราข้ามพ้นมันแล้วยกตัวอย่างเจ้าชายสิทธัตถะตัดสรุธรรมในเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาพระองค์จบแล้วไงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในเวลานั้น เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมยังโดนเทวทัตเล่นงานเห็นไหมกรรมที่อยู่ในจิตเขาลอล้างเขาไม่ได้เทวทัตมีบ่วงกรรมกับเจ้าชัยยฐานในอดีตชาติคือขัดแย้งกันมาตลอดอิจฉาตาลอนกันชาตินี้ก็มาทวงหนี้แต่มันกระทบพระองค์เนี่ยไม่กระเทือนจิตพระองค์ไม่ไปทุกข์เท่านั้นเองพระองค์ไม่ได้เครียดแค้นอะไรเลยนะแต่เทวทัตต้องรับกรรมที่เขาสร้าง เทวทัตก็ตกนรกตราบใดที่เรายังไม่ละสังขารแล้วเนี่ยไอ้กรรมที่เราสร้างไว้ในอดีตโดยเฉพาะอยู่ในจิตคนของคนอื่นแม้กระทั่งสุนัขมันกัดเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นเกิดขึ้นลอยๆนะมันมีเหตุอยู่เราเคยกัดมันนะเนาะมันก็กัดเราคืนนะเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่มไม่ถูกหมากัดนะก็ถูกกัดได้นะก็กัดเพียงแต่ว่าขามันเจ็บแต่จิตไม่ไปเจ็บกับมันเราก็ไม่ทุกข์ละไงนะก็ เรามีหน้าที่หนีมันเมื่อเราละสังขารแล้วเนี่ยเราเข้าสู่นิพพานแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสามโลกกะาะ t เนี่ยกระแสกรรมมันจะไล่บีบใครนะเอาเป็นว่าคําตอบก็คือว่าไม่ต้องจ่ายหมดหรอกแต่อย่าเหนียวนี่นะนะอย่าเหนียวนี่จ่ายได้ก็จ่ายไปให้มันลดหนี้ลงไปแล้วเมื่อฝ่ายกุศ ล, ลจิตมันมากกว่าเดี๋ยวมันก็ตัดกรรมนะ ก็มักนอกและมักในคืออะไรและเราควรมีการปฏิบัติในสองส่วนนี้อย่างไรมักนอกและมักในไม่มีมักมากนทุกวันนี้มักมากมากกว่านะมักข้างนอกที่ว่ามักมีองคป8ไปอนบางคนเรียกว่ามักแปดมักแปดนี่ยเพราะครูไม่อยากให้พูดคำนี้เลยมักแปดหมายถึงมีทางแปดทาง มันเป็นทางทางเดียวเท่านั้นแต่มีองแปดมักมีองแปดเป็นทางทางเดียวเท่านั้นแต่มีส่วนประกอบแปดอย่างส่วนมากมักง่ายไงเรียกว่ามักแ8ดมัก8ปดจกลายเป็นว่ามีทางแดทางระวังนะภาษานี่ก็ถ้าจำไม่เราเข้าใจผิดนะก็มักภายนอกนะก็คือทานศีลภาวนาทานศีลภาวนา นะการให้ทานอันนี้เอาไซอินคือการให้การทําความดีเนี่ยเพื่อไปเปลี่ยนนิสัยเราดับความอยากมันอยากได้กูเบี่ยงทิ้งมันไม่ให้ฉันให้นะแล้วก็ศีลเนี่ยก็คือว่าอยากทําความชั่วฉันไม่ทําอันนี้คือต้องอาศัยกติกานี่มาบังคับเราเพราะเรายังเข้าไม่ถึงข้างในนี่คือมรคภายนอกเราต้องมีสัมมาอาชีวะทุกคนต้องมีอาชีพ เพื่อเพื่อยังชีพไม่ใช่ทุกคนหนีเข้าป่าหมดนะเอาเปว่าแต่ต้องทำอาชีพชอบไม่มีผู้ใดเดือดร้อนนะเป็นหนึ่งในแปดอ่านเอาเองอ่านหนังสือออกก็อ่านได้แล้วไม่ต้องอธิบายรายละเอียดรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะแต่เมื่อถามมาแล้วก็ตอบเข้าๆส่วนมรรคภายในเรียกว่ามรรคจิตนะต้องอาศัยเครื่องมือคือมหาสติปัฏฐานเราต้องมีกายเทยวดาทาไม่ได้นะ เทวดาเนี่ยไม่มีกายเจริญมหาสติปัฏฐานไม่ได้เทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุขพูดอย่างนี้บางคนสงสัยว่าเอ๊ะทุกข์มากที่ต้องเสพสุขนะสุขมันก็ดีแล้วไงนะสมมติว่าเรากินทุเรียนนะอร่อยมากเป็นความสุขมากเลยเพราะคูจะให้กินทุเรียนปีหนึ่งไม่ต้องกินอะไรเลยดูว่ามันจะสุขไหมนั่นแหละทุกข์มากที่ต้องเสพสุข เพราะเทวดาไปหลงติดกรรมดีนั้นต้องใายกรรมดีก็ต้องรับบางทีเสียเวลานะเพราะกลัวไม่จําเป็นอย่าขึ้นไปเลยนะเราหยุดบนนั้นหลายรอบแล้วตอนนี้ทําบุญจะขึ้นสวรรค์นะเสียเวลาเป็นพันๆปีนะคิดเป็นปีๆนะพอหมดกรรมดีนั้นแหละเกิดมาวันแรกเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐก็แหกปากร้องแล้วเทวดาร้องไห้ทําไมสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติ น, ะนนะกรกสมบัติยังอยู่ในวัฏฏะสงสาร ยังไม่พ้นทุก์เรามาเจริญมรรคเพื่อเข้าสู่อริยะสมบัติขั้นต่ำสุดคือโสดาปติมรรคจนถึงอรหัตผลสี่คู่แปดบุรุษสมควรแก่สักการะและบูชานะอันนี้ก็มรรคนอกมรรคใ น, นมรรคน้อยมรรคมา ก, มากตอนนี้ดูเอาเองตัวเองอยู่ยยที่มรรคอะไรก็ดูเอาเองเนาะ เอาเปน็นว่ามรคภายในคือมรคขจิตก็แค่ปลดปล่อยจิตเราให้เข้าไปจิตเห็นจิตคือมรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธดวงตาเห็นธรรมคือเห็นจิตเท่านั้นดวงตาเห็นธรรมนี่คือขั้นต่ำสุดคือโสดาปฏิมรคเราเข้าไปสู่กระแสมรคแล้วจิตเกิดมาเพื่อเดินทางต่อแต่ที่เราไม่เดินทางเราเอาจิตมาฝึกสติฝึกสมาธิ เราเอาจิตมามองขามองมองอริยบทมองมองข้างนอกมาเพ่งเพื่อให้มันเกิดสมาธิสตินะแล้วก็เอาสมาธิสติตรงนี้เนี่ยไปทํางานเพื่อสร้างอนาคตเบียดเบียนตัวเองเพราะเราเข้าไม่ถึงปัญญาเนอะเหมือนนักกีฬานี่ออกกําลังกายแข็งแรงมากแต่เอาแข็งแรงนี้ไปเบียดเบียนคนอื่นนะเพราะเราฉัน ว, ว่าเรามีสติแต่เราไม่มีศีลเราไม่มีปัญญา เหมือนโจรมีสมาธิมีสตินะถ้าไม่มีเขาพ้นไม่สําเร็จนะแต่มันไม่มีศีลไม่มีปัญญามันต้องใช้สมาธิสตินั้นน่ะเขาต้องใช้สติมากกว่าพวกเราอีกเพราะมันต้องย่องเบาแต่มันเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเพราะเขาใช้สติสมาธิไปในทางเบียดเบียนเพราะเขาไม่มีปัญญาเพราะเขาไม่มีศีลนะต้องเข้าใจนะมักมีองแปดเขาใช้คําว่าชอบเห็นชอบ ดำํำริชอบเป็นเรื่องของปัญญานะวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบเป็นเรื่องของศีลมีแค่สามข้อต้องการเดินทางไปนิพพานเนี่ยไม่แบ่งชั้นวันนะมีการปฏิบัติศีลแค่สามข้อเท่าเทียมกันหมดไม่รู้ว่าอาชีพไหนต้องเท่ากันส่วนศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลปฏิโมกเป็นแค่วิใน เหมือนกฎหมายบ้านเมืองเป็นอุบายวิธีในการอยู่ร่วมเป็นกติกาแต่ศีลในการปฏิบัติเพื่อพ้นทุก์มีแค่สามข้อเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าศาสนาใดชนช า, ชาติาไหนเผ่าไหนถ้าบาังเอิญเขาอยู่ในศีลสามข้อนี้นี่พานอยู่ใกล้ๆก็คือวาจาชอบการพูดจานี่ไม่แต่เรื่องมีประโยชน์เป็นกุศลไม่ใช่พูดมาที่วันนั้นพะกูจิตมันเป่งออกมาว่า การขยันพูดความจริงในทุกๆเรื่องมันเวลวร้ายยิ่งกว่าการโกหกในบางเรื่องเพื่อให้ยัติธรรมก็สงสัยโกหกมันดีเหรอเราไปเข้าใจว่าคำว่าโกหกคือหลอกลวงถ้าโกหกไม่ได้หลอกลวงไม่ได้เหรอโกหกเพื่อช่วยให้มันพน้นสมม่าเขาถือปืนมาวิ่งมาโกรธมากเลยเห็นไหม เห็นคู่อริมันวิ่งมาดิเราเห็นมันเลี้ยวซ้ายเราก็เห็นอยู่เราบอกมันไหมว่าให้มันเลี้ยวซ้ายมึงไปยิงมันเลยไหมล้วบอกฉันไม่เห็นหรือว่าให้มันไปเลี้ยวขวานะอย่างนี้นะเพื่อไม่ให้มันไปสร้างกรรมเนี่ยบางทีโกหกเพื่อให้เนี่ยยังดีกว่าขยันพูดความจริงและทุกๆเรื่องยกตัวอย่างนะไม่บอกเพื่อนสนิทเราว่าเฮ้ยฉันเห็นแฟนเธอมันไปกระกิ๊กเมื่อคืนเนี่เห็นมันเลยไปพูดความจริงให้มันทะเลาะกันน่ยมันดีหรือเปล่าล่ะ พูดความจริงถึงทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองไงความจริงบางอย่างไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันชอบพูดนะไม่ใช่พูดเฉยๆนะภาษาอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าแซกไปเซ็กมานเห็นปุ๊บกดส่งตอ่อตรงตอ่อส่งตอ่งตอเลยกลัวชา ก, กว่าเขาอันนี้ยิ่งกว่าพูดอีกนะอันนี้ครบหมดเลยนะทั้งมโนโกรรมวัจีกรรมกายกรรมอยู่ในนั่นหมดเลยนะและเป็นหลักฐานด้วยเป็นตัวหนังสือออกไปแล้วเนี่ยนะ อันนี้ทุกวันนี้ชอบมากเก็เอาเป็นว่ามรกยว่เขาว่าทุกอย่างเครื่องมือในการเจริมนักแปดอย่างนี่ต้องชอบต้องใช้คำว่าชอบก็คือพอดีนะถ้าไม่ชอบทำมากเกินไปทำน้อยเกินไปทรมานสังขารอะไรนี่ก็ไม่ชอบความเพียรยังต้องชอบเลยเอ๊ะขยันก็ดีแล้วเนี่ยดี แต่ขยันแค่พอดีถ้าเกินไปเนี่ยขยันหาเงินจะ ไ, ไม่ไม่หลับไม่นอนได้เงินมาปุ๊บมารักษาโรคเครียดโรคมะเร็งเนี่ยมันดีไหมหลักก็ไม่ดีไงมันไม่ชอบมันทําเกินไปแต่คิดเกียเกินไปอยากก็อยากอ ย, กอยู่แต่ไม่อยากทําอย่างนี้นะเดี๋ยวสุดท้ายก็ไม่มีจะกินมันก็ไม่ชอบเหมือนเก่านะต้องชอบนะต้องถูกต้องเป็นคนนับถือาศาสนาคริสต พอมาได้เห็นการปฏิบัติสมาธิแนวนี้แล้วทำให้รู้สึกว่าเป็นลัทธิคนที่นับถือศาสนาอื่นๆจะมาปฏิบัติสมาธิแบบนี้ได้หรือไม่พวกครูก็ไม่ชอบเรียกว่าสมาธิเลยเนาะมันคุ้นเคยตอนนี้เราคุ้นเคยว่าปฏิบัติธรรมต้องเป็นสมาธิต้องสมาธิพหญยะเนี่ยไม่เคยฝึกเลยนะไม่เคยรู้เรื่องสมาธิเลยนะผู้เจ้าเทศคาเดียวเนี่ยบรรลุธรรมเลย แต่ตอนนี้เราไปคุ้นเคยว่าปฏิบัติธรรมต้องสมาธิต้องสมาแต่สมาธินี่เป็นตัวสำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป้าหมายสติก็ไม่ใช่เป้าหมายพุทธศาสนาสอนเป้าหมายก็คือให้คนเราเกิดปัญญาแต่ผลสูงสุดคือ น, นิพพานจิต ท, ที่มีปัญญาเท่านั้นน่ะถึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้จะเข้าสู่ น, นิพพานนะเมืจะอยู่สมาธิสติเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่า เรื่องจิตวิญญาณมันไม่มีาศาสนาพูดให้ชัดๆเลยทุกวันนี้เราขัดแย้งกันทั้งโลกเพราะเราไปประกาศศาสนาแข่งกันพระพุทธองค์ไม่เคยดำริให้สาวกจาริกออกไปประกาศศาสนาไม่แต่ครั้งหนึ่งพ่อครูไม่เคยได้ยินพระองค์ดำริให้สาวกจาริกออกไปประกาศพรมอาจารชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกเขาจะนับถือาศาสนาใดๆก็ช่างเขามันเป็นอุบายวิธีในการอยู่ร่วมของคนกลุ่มนั้นๆ แต่เราไปประกาศศาสนาเราต้องบงังคับให้เข้ามาใช้ชีวิตแบบเหมือนเราประเพนีวัฒน์นเหมือนเรามันถึงขัดแย้งกันไงมันมันไม่ใช่แก่นสารของความพ้นทุกข์แล้วก็ศาสนาเพิ่งเกิดขึ้นในโลกใบนี้เนี่ยไม่เกินสามพันปีที่ผ่านมาพุทธศาสนาก็สองพันหร้อยปีคริสก็ 2, สองพันเศษก่อนหน้านี้ไม่มีศาสนา แต่ศาสนาเป็นองค์กรที่ศาสดาต่างๆเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคําสอนของพระองค์เหล่านั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นกลางๆแต่บังเอิญคนในศาสนาต่างๆเนี่ยไม่รู้เท่าทันถูกเกลียดครอบงาําก็เลยทําให้ศาสนาไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะแม้กระทั่งพุทธเราเนี่ยถ้าพระเจ้ากลับชาติมาเกิดบางทีพระองค์งงนะพระองค์จําศาสนาพระองค์งก็ไม่ได้ระบายเสียจนอะไรก็ไม่รู้ ตัวศาสนาไม่ได้ผิดตัวศาสนาไม่มีอะไรเสียหายเป็นกลางๆและคําสอนของพระองค์เนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยใครเปลี่ยนก็ไม่ได้อีกกี่ล้านปีก็คงอยู่เพราะมันคือสัจธรรมมีอยู่แล้วตามธรรมชาติส่วนพุทธศาสนาเองเนี่ยผู้เจ้าตัดไว้เองเพราะศา ส, สนาพระองค์เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีจากนั้นมาก็จะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ช่างแต่คําสอนพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นสัจธรรมยังคงอยู่ นะอันนี้ก็พ่อคูตอบเลยว่าไม่เกี่ยวกับศาสนานิพพานไม่ใช่ของศาสนาใดทั้งนั้นแต่เจ้าชายสิทธัตถะไปตัดสรู้มาและพระองค์ก็เน้นเรื่องนี้เป็นทางพ้นทุกข์แต่ศาสนาอื่นๆเนี่ยเขาเน้นแค่ว่าอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะจุดเน้นไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่วันนี้พานเนี่ยเราไปคิดถูว่าเป็นของศาสนาเรานะนิพพานเป็นกลาง ถ้านิพพานเป็นของศาสนาพุทธก่อนหน้าเจ้าชายศิริธรรย้อนสู่อดีตที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกยี่สิบเจ็ดพระองค์เจ้าชายสิริธรรเป็นองค์ที่ยี่สิบแปดเนี่ยท่านเหล่านั้นทําไทำไมบรรลุธรรมได้ไม่มีศาสนาไงบางคนบอกบรรลุธรรมแล้วเนี่ยต้องบวชนะไม่บวชแล้วก็จะตายจะร้อนพระอาหารหันต์กลัวตายกลัวร้อนเหรอไปพูดปรุงแต่งให้มันขัง ถ้าสอนอย่างนี้เต่อไปคนรุ่นใหม่เขาจะไม่เอาเพราะมันเป็นไสยศาสตร์ไปบังคับให้เชื่อถ้าทําอย่างนี้อนุรักษ์อย่างนี้อยูน่นะต่อไปสูญพัน์นะเดี๋ยวพวกเราตายหมดแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาเราจะอนุรักษ์ได้อย่างไรตอนนี้เป็นยุคที่ต้องพูดความจริงกันนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้แค่บันทึกมานะไอ้ที่ไม่ไม่บันทึกเลยที่บรรลุอยู่ในป่าไม่มีใครรู้กัเยอะแ ย, ะ เ, ยะเลยพระเจ้าทั้งหลาย ตอนนั้นไม่มีศาสนาเลยทำไมเขาบรรลุทมได้แต่ไม่ใช่พุทธเราไม่ดีพุทธเรานี่ยิ่งใหญ่มากเพราะพูดเรื่องนิพานเลยเพราะครูจึงถวายชีวิตไงแต่จะไปหลงศาสนาในรูปแบบเป็นองค์กรเป็นจัดตั้งเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั้นงั้นไม่ใช่นะก็อันนี้ตอบเลยแล้วว่านิพานไม่ใช่ของศาสนาใด และที่เราปฏิบัตินี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสมาธิใดๆทั้งนั้นเราเจริญมรรคจิตทุกทุนทุกคนก็เดินได้ตอนนี้ใสเดือนกิ้งกือที่ศูนย์เยอะมากมดมอดเน่ยเขาก็กาลังเดินทางไปสู่นิพพานนะแต่เขาอยู่ในขบวนการกำลังจ่ายหนี้กรรมเฉยๆเขาเจริญวิปัสสนาไม่ได้นิพพานเขาของเขาเหมือนกันเขาก็มีสิทธิ์นะพระเทวทัตน่ ไม่ได้เป็นมดมอดเลยนะมดมอดยังดีกว่าคนตกนรกไปถึงนั่นนะยังเกิดมายังบรรลุธรรมได้เลยใช่ไหมล่ะนิพพานจึงไม่ใช่ของใครนะแล้วก็แนวที่เราปฏิบัติมันไม่มีแนวไงมันไม่ล็อกตายตัวว่าเธอต้องใส่ป้ายยี่ห้ออะไรใส่เสื้อสีอะไรไม่ต้องนะของดีมันอยู่ข้างในมันได้อยู่ข้างนอกในฐานะลูก ในฐานะลูกตอนนี้หลายคนต้องฟังดีๆเราควรแสดงความกตัญญูกต เ, เวียทิตาต่อพ่อแม่อย่างไรลูกที่ปฏิบัติธรรมหลายคนประสบความลำบากใจที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในแบบที่ท่านต้องการแล้วเราก็รู้สึกผิดอยู่ในใจตลอดเวลาเราควรทำอย่างไรคะแสดงว่าผู้หญิงถาม อันดับแรกทำใจก่อนทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกจิตเราก็ทำใจไม่ได้คำว่ากระตันยูนี่มินเมย์มากระหว่างกระตันยูกับอักกตันยูเท่ากับเส้นได้เลยละ่ะพ่อครูเนี่ยโดนสอบมาแล้วพ่อครูโดนจังเลยมีใครจะยิ่งใหญ่กว่าพ่อแม่เราะล่ะคุณพ่อพ่อครูหายสาบสูญเนี่ยพ่อครูเด็กๆคุณแม่ เราตีคู่กันมาตลอด <c oughs> เลี้ยงน้องๆแน่นอนท่านคือเจ้าชีวิตพ่อูรูพ่อครูพาหลานท่านสองคนอยู่เมืองนอกตอนนั้นมาบอกมาอยู่บ้านนอกก็ไม่ได้นะไม่มีบ้านนะมีแต่ป่ามาอยู่ป่าไม่มีไฟฟ้านะคุณย่าทุกข์มากเนื่องจากรักลูกลักหลานก็มาเยี่ยมไง มาทุกครั้งก็ร้องไห้นะบอกอยู่ๆเอาหลานท่านอยู่เมืองนอกมาอยู่บ้านน้องไม่มีอนาคตพวกครูก็ถูกญาติพี่น้องถูกเพื่อนฝูงต่อว่าเราหยุดก็หยุดไปสิเด็ก ๆ, ๆมันยังมีอนาคตอยู่เอามาอยู่ที่นี่ทําไมหลายคําถามหลายคําตอบโดยเฉพาะคนเป็นแม่พวกครูเปิดกศนพวกครูขอเปิดกศน บอกไม่ต้องส่งครูมานะไม่ต้องให้พวกประมาณมาแต่ขอเปิดเพราะคูเป็นครูเองพอถึงเวลาก็ไปสอบเอาวุธิบัตรเขาเฉยๆเด็กต่างๆเหล่ า, านี้ก็เรียนอยู่ที่นี่สอนวิชาหลักก็คือศีลสมาธิปัญญาคุณย่ามาเยี่ยมแต่ละครั้งก็ร้องไห้ร้องไห้พอลูกสาว คนโตน้องชีจบมหกกศนน้องดอนจบมาสาม <c oughs> สองคนบวชบวชที่นี่พี่บวชชีน้องบวชเนนเพราะกูถวายพุทธเจ้าคุณย่าอมาม่าในี่ทุกข์มากแกบอกน้องดอนเป็นผู้ชายไม่เป็นไรทำใจได้น้องดอนตั้งแต่เกิดออกมาอยู่อเมริกา น, นั่นนนะแกก็ไปให้เขาดูดวงทั่วโลก บอกเด็กคนนี้บวชแน่ๆเขาบอกเขาทําใจแล้วแต่เอาหลานสาวเขามาบวชเนี่ยโดยเฉพาะแกมีเชื้อจีนเนี่ยเขารับไม่ได้ว่าเหมือนคนสิ้นไร้ไหมายตอกในความเป็นคุณย่าแล้วรู้สึกไม่สบายใจว่าปล่อยให้หลานมาทุกทรมานอะไรอย่างนี้นะอันนี้พ่อคูเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังกันระหว่างกตันญูกับอักตันญูมัน มันหม่นห ม, ม่มากนะบางทีญาติญาติเขาก็มาต่อว่าพ่อครูว่ามาใหม่ๆตอนนั้นเขาเรียกอาจารย์บรรชาถ้าดีจริงเนี่ยทำให้แม่ร้องไห้ทำไมพูดแรงมากนะเพราะเขาเป็นญาติไงบอกพก่อครูไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่แม่ร้องไห้เอง พราครูไม่ได้บังคับให้คุณแม่มาอยู่นี่ทั้งหน่อยหนึ่งใช่ไหมแต่ท่านรักลูกทั้งหลานท่านวางไม่ลงไะท่านก็ร้องไห้เองไงเรื่องนี้มันมันไม่เข้าใจยากพราะครูไม่ได้ทำอะไรตั้งใจทําให้แม่ร้องไห้ไม่ม่ตั้งใจทําอะไรให้แม่เสียใจเลยวันที่บวชแล้วท่านท่านก็ไปเชิญนิมนต์พระอาจารย์รูปหนึ่งทางเหนือนะ่ะอย่าอย่าเอ่ยชื่อท่าน คุณยา่าท่านคิดว่าในโลกนี้มีท่านเดียวที่บอกพระครูให้หยุดอย่าเอาหลานท่านไปบวชนี่มนมาที่นี่เลยท่านก็เทศท่านก็ยกตัวอย่างนางวิสาขาไม่ต้องบวชก็บรรลุโสดาบันมีลูกต้องเป็นหลโหลนะพอท่านเทศเสร็จพระครูก็พูดบ้าง ไม่ใช่ทุกๆคนต้องเป็นแบบนั้นลูกหลานเราจเจริญลอยตามพระพุทธองค์ถามว่ามีอะไรไม่ไดีแทนที่จะนุโมทนาสาธุใช่ไหมแล้วทำไมต้องต้องกลัวลูกบวชเวลาบวชแล้วเป็นยังไง ร, รู้ไหมใหญ่แค่ไหนก็กราบไหว้ใช่ไหมทำไมกลัวลูกหลานเราถูกคนเขากลา่าวไหว้เหรอมีอาม่าคนหนึ่งอยู่บนเนี่ย เป็นเท่าแกะนะอกงเหมือนกันสองตายายนี่เป็นลูกศิษย์พระครูรุ่นแรกเลยเมื่อยี่ห้าปีก่อนฐานะก็ไม่เดือดร้อนพ่อครูไปไหนก็ไปด้วยไปทําไร่ก็ไปด้วยไปซื้อที่ไปทางบ้านไปเหนือก็ไปด้วยก็ไปสร้างบ้านด้วยมาที่นี่ก็มาสร้างบ้านอยู่ด้วยเพราะว่าแกเป็นโครคภัยไข้เจ็บพอปฏิบัติแล้วก็หายไง ทีนี้อามานี่พอเล่าเรื่องชีวิตคู่ให้ฟังเนี่ยเล่าทุกครั้งก็นั่งร้องไห้ทุกมากแค้นมากแค้นคนที่อยู่ด้วยกันรักที่สุดเลยเขาไม่ทำให้เดือดร้อนนะเพราะฐานะไม่เดือดร้อนไงแต่พูดเรื่องชีวิตคู่เมื่อไหร่ก็นั่งร้องไห้ตลอดเวลาแต่ก็กลัวลูกสาวไม่ได้แต่งงานกลัวลูกชายบวช ตัวเองก็รู้อยู่ว่าทุกข์มากเลยพอพูดชีวิตกูทุกข์ร้องไห้ร้องไห้แต่ก็กลัวลูกสาวไม่แต่งงานลูกชายจะบวชก็กลัวมันกลัวจะไม่สึกคนเรามันขัดแย้งกันเองเนาะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะเรื่องนี้ถ้าไม่ตั้งมั่นจริงๆไม่แม่นจริงๆเนี่ยมันมินเมะ ร, ระหว่างกตันอยู่กับอั ก, กตันอยู่เลยล่ะแต่ใครเปลี่ยนพ่อรูไม่ได้ชั่วโมงนั้นอ่ะ หลังจากเอาใครมาเบรกพ่อครูก็ไม่อยู่เขาบอกยังไม่ช่วยกันยกมืออนุอนโมทนาบุญกับเขาเนี่ยได้บุญเต็มๆ เ, เลยเขาบอกว่าเกาะชายผ้าเหลืองเนี่ยเนี่ยคือไม่เข้าใจแล้วกราบไหว้ผู้ชมก็กราบทุกวันทุกวันแต่ไม่รู้พระเจ้าสอนอะไรแต่ไปเชื่อทุนนิยมมันพูดอะไรก็เชื่อมันหมดถึงทุกข์กันทั้งโลกในตอนนี้ไงแต่ไม่เชื่อพุทธเจ้าวันนั้นพระครูก็กราบเท้าอาม่าเลยนะบอกอม่า ร่างกายตัวนี้เป็นของอาม่าอาม่าฆ่าทิ้งเลยฆ่าทิ้งเลยอาม่ามีสิทธิ์เลยไม่เป็นไรนะแต่จิตดวงนี้ไม่ใช่ลูกไครมันขี้เกียจเกิดอีกแล้วยังไงรู้ไหมยี่สิบห้าปีผ่านไปอาม่าเป็นคนแรกทึ่งไม่ใช่เสียสละหรอกท่านทําในสิ่งที่ควรทํา สลีละท่านมาเผาที่นี่มาแสดงธรรมอายุเก้าสิบอธิท่านเป็นพระาธาตุหมดเพราะความตั้งมั่นของลูกชายคนนี้ไงท่านจึงได้นิสง์ตรงนี้คำว่ากตัญญูแปลง่ายๆคือต้องรู้คุณรู้โทษไม่ได้แปลว่าสนองตัญหาแม่เป็นเบาหวานแต่แม่ชอบกินของหวานมาก กซื้อของหวานให้แม่กินบ่อยๆฉันก็กอดเธอเธอก็กอดฉันฉันก็รักเธอฉันก็รักฉันกอดคอข้ามวัตตะสงสารตรงนั้นเหลอกระตันอยู่กระตันอยู่ต้องรู้คุณรู้โทษรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อแม่พาแม่มาปฏิบัติพาแม่เหวี่ยงทิ้งความยึดมั่นถือมั่นแล้วแม่จะพ้นทุกข์นั่นแหละได้อนิสงส์มากที่สุดไม่ใช่สนองตัญหากัน รักโลภโกรธหลงมันเป็นทุกข์พูดคำนี้เป็นเรื่องนะมีคุณหมอมาจากบกดาหารแล้วก็แฟนคุณหมอก็มาครั้งแรกนั้นแรงมากยกมือเลยนะรักกันมันไม่ดีอะไรนะบอกคุณรักคุณหมอไหมรักสิถ้าวันไหนคุณหมอถูกคนอื่นแย่งไปยังรักอยู่หรือเปล่าเงียบเลยไม่ใช่ไม่รักไม่พอเนี่ยแค้นนี่ต้องชำระอีกสิบปียังไม่สายเหมือนกัน ถ้ารักจริงๆเนี่ยเขาไม่มีความสุขต้องอนุโมทนาสาธุสี่รักมันแฝงด้วยความหลงไงความเห็นแก่ตัวไงต้องเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขารักทุกคนไม่ใช่รักเฉพาะลูกฉันไม่ใช่รักเฉพาะสามีฉันพะย่รักทุกคนเพราะครูนี่มีลูกเกือบเป็นพันนะที่นี่ เ, เด็กยากจนที่นี่เจ็ดแปดร้อยคนชื่อว่าอะไรไม่รู้ พ่อแม่เขาเป็นยังไงไม่รู้เราลักเขาทุกวันเราเมตตาเขาทุกวันเราให้เขาทุกวันเราไม่เคยช่วยเขาเลยนะ25ปีพวกกูไม่เคยช่วยใครเลยไม่บังอาจช่วยสัตว์โลกไปไปตามกรรมช่วยไม่ได้แต่เรามีหน้าที่ให้สิ่งดีๆแก่เขาให้ก็คือคําสอนลูกเจ้าคือทานไงสลัดออกสลัดความโลภความตหนีออกทานศีลแน่นอนที่นี่เราไม่ได้สร้างกรรมอะไรแน่นอนนะ ยี่สิบหาปกูไม่ได้ถือสินนะมันหนักเวี่ยมทิ้งหมดแล้วนะบางคนตกใจนะคนไม่มีศินมาแสดงธรรมเสียเวลาฟังใครพูดก็ไม่รู้แต่ยี่บ้าปีไม่ทําชั่วแน่นอนเพราะมันไม่มีความอยากแล้วมันไม่มีอนาคตแล้วทำไมจำเป็นต้องไปเบียดเบียนหรือไปหลอกเขาไปโกหกเขาทำไมมันมแม้กระทั่งคิดมันไม่ต้องคิดเลยที่เราคิดเนี่ยเพราะเรามีอนาคตเราถึงคิดวางแผนไงเมื่อมันไม่มีอนาคตมันจะคิดอะไรนะทุกวันนี้ไม่นจะถือสินถือถือหลุดหลุดนะ โดยเฉพาะพวกเราตอนนี้เนี่ยถูกสั่งให้ถือสินห้าไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะแต่พรอครูเห็นแล้วว่ามนุษย์เมันตกต่ำมากเลยนะแล้วก็ถือถือดุดดุดด้วยนะสินห้าไม่แค่ห้าข้อไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ทาสานมีมีสินอยู่แล้วไนงะทาสานสินห้าเต็มเปี่ยมเลยสินคือความปกติของจิตแต่เรียนไปเรียนมาสินมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ ก็ต้องเอาสินมาบังคับตัวเองอย่านะอย่านะอย่าจะทะําะไจะผิดสินนะบางทีก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้พราะครูเนี่ยตัวอย่างชัดเจนเลยสี่ปีวิ่งไปตามโลกบ้านปลายชี้ไปอยู่อเมริกาศินห้าบอกไม่ให้ทําอะไรทําหมดเลยเราเป็นพ่อค้าเราเข้าใจว่าการโกหกเป็นเทคนิคแต่ไม่ใช่โกหกหลอกลวงนะพราะครูไม่มีนิสัยอย่างนั้นม่นกลายเป็นเทคนิคเหมือนเหมือนโกหกเพื่อจะช่วยเขาเหมือนโกหกเพื่อเพื่อจะให้เขานั่นแหละ ถ้าบางคนไม่โกหกมันไม่ยอมเชื่อด้วยนะแต่ถ้าโกหกหลอกลวงนั่นแหละเป็นกรรมนะแต่บางครั้งเราไม่ต้องพูดความจริงเพื่อให้เขาเนี่ยมันอยู่ที่เจตนานาะเอาเป็นว่าพ่อครูชัดเจนเรื่องศีาาลทาสานมีศีลห้าอยู่แล้วเอาเล่าแพงแพงที่สุดในโลกเนี่ยไปให้มันกินไหมเฮ้ยมันมูลุกอะไรเหม็นๆเอาบุรีนี่แพงที่สุดมันก็ไม่สูบ ถามามันโกหกไหมพูดภาษาก็ไม่เปลี่นด้วยไม่มีมันไม่อยากได้อะไรจากเรามันจะโกหกทําไมศีลคือความปกติตอนนี้มนุษย์เราพูดเพศเรียนไปเรียนมาเนี่ยศีลห้ามันหายไปไหนไม่รู้ต้องมาถือศีลห้าใหม่แต่ไม่ใช่ไม่ดีนะก็มันหมดไปแล้วก็เขาตั้งกติกามาว่าเป็นตัวเตือนสติเรานะเมื่อเรายังเข้าไม่ถึงศีลบริสุทธิ์เนี่ยเราก็เอาศีลห้าศีลแปดศีลสิบถึงปาถึโม่เนี่ยศีลเขามีไว้เตือนตัวเองไม่ใช่มีไว้ไปจับผิดคนอื่น ถ้าเราสินไปจับผิดคนอื่นเนี่ยเราก็สร้างวัจีกรรมแล้วเนี่ยมีนี่คือคนไม่มีสินนะก็ให้เข้าใจเดี๋ยวเราจะถือสินผิดก็เมื่อกี้บอกว่าให้ทำใจใช่ไหมในฐานะลูกทำใจก่อนเราต้องเข้าใจว่าพ่อแม่เนี่ยรักเราอย่างบริสุทธิ์แต่รักในความเคยชินของท่านตามกิเลสที่ท่านเคยชิน ิ25ปีก่อนพ่อคูมาปีแรกแรงมากสิ่งกระทบแรงมากเพื่อนฝูงรุ่นเก่าๆนักการเมืองรุ่นเก่าๆเป็นเพื่อนกันพวกนี้มีแต่พวกแรงๆดังนั้นเขาก็กลัวพ่อคูขาดสติหรือว่าเป็นบ้าหรือเปล่าอยู่ๆก็เอาครอบครัวา ม, มาอยู่ในป่าไม่มีอนาคตเขาก็รักเรานั่นแหละ เขาพูดแรงแม้กระทั่งว่าเขาไม่ชอบหรอกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากไปนิพพานก็ทิ้งลูกทิ้งเมียเอาลูกตัวเองให้ขอทานเพราะครูบอกว่าถ้าเขาให้เศรษฐีนี่ดีใจใช่ไหมพ ร, พระเวสสันดรท่านก็เป็นเศรษฐีเป็นอยู่ในมหาปสาทราชมวนเทียนอยู่แล้วพระองค์ถอยออกมาเอาเป็นว่าทำไมใหนะ้ไม่ใช่ว่าต้องการ ไม่รักลูกนะให้ลูกไปเห็นทุกข์มันถึงจะเห็นธรรมถ้าไปติดสุขอยู่ตรงนั้นแนหะตายเปล่าชาตินี้หมดเวลาไปเฉยๆไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเราไม่เห็นจิตเราจะไปมองภาพเราเอาความเคยชินแล้วไงถ้าสะดวกสบายมีสมบูรณ์แล้วน่ถึงจะดีไงมันดีจริงไหมถ้ามีคนขโมยมาขโมยของที่เราักก็ทุกข์อีก อันนั้นคือดีแบบทางลกโลกไงแล้วเราจึงทุกทุกวันนี้ยงไงเพราะเราไม่รู้ความจริงตามธรรมชาตินะแต่ลุกนี้ปฏิเสธวัตถุไม่ได้ปฏิเสธ เ, เงินไม่ได้ถ้าไม่มีเงินเราก็ดำลงชีวิตไม่ได้นะทุกคนต้องทำมาหากินทุกคนต้องมีอาชีพนะแต่อย่าไปให้เงินมันเป็นพระเจ้าเงินมันซื้อความสุขจริงๆไม่ได้มันไม่มีขายเพราะครูหามาแล้ว หาไปสี่สิบปีนี่ซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้ามันไม่ใช่ความสุขไม่เห็นเลยแต่ย5ิบห้าปีตรงยีนี้น่ะไม่มีแม้แต่หนึ่งวันาทีนาทีนี่ต้องมานั่งทุกข์ไม่มีนะก็เรื่องแม่เนี่ยเรื่องพ่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายพา่อเป็นบ่วงกรรมความมาเกิดพนพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีภรรยากันเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะเราสร้างเหตุมา พวกคูเคยยกตัวอย่างบ่อยๆซึ่งตัวอย่างนี้เนี่ยมันสัมผัสได้ง่ายคือสตรีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายชะกันห้าคนขับรถมาก็แก้ปัญหาให้อีกท่านหนึ่งขับไปยางระเบิดเหมือนกันชายชะกันห้าคนขับรถมาฆ่าข่มขืนอุบัติเหตุทั้งสองอย่างนี้ทําไมคนนี้รอดทําไมคนนี้ตายเราไปเข้าใจว่ามันบังเอิญอุบัติเหตุไม่ได้แปลว่าบังเอิญ น, นะไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญ อุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆวันนี้เราทำไมต้องนั่งอยู่ที่นี่ทำไมเราต้องมานั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้เกิดขึ้นลอยลยมันมีเหตุของมันอยู่ถ้าไม่มีเหตุเดิมแล้วเราไม่มีสิทธิที่จะมานั่งอยู่ที่นี่แล้วมันมาพบกันที่นี่รู้แค่นี้ก็พอถ้าอยากรู้จริงก็เข้าไปดูเอาเอง อธิบายยิ่งเลอะเลือนเนาะก็อีกข้อหนึ่งตรงนี้หากผลของการปฏิบัติธรรมคือการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทำอะไรไม่หวังผลตอบแทนต้องการชีวิตที่สัมมาทาเรียบง่ายแล้วหากว่ายังต้องทำงานอยู่ และที่ทำงานเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หุ้นส่วนแต่ละคนต่างต้องการที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นในทุกๆปีถ้าหากมาปฏิบตัติธรรมกลัวจะทิ้งงานหรือเกิดความเฉื่อยชาในการทำงานการจับปฏิบตัติควรจะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะต้องอยู่ร่วมกับหุ้นส่วน ที่ต้องการความเจริญเติบโตของบริษัทข้อนี้กับเรื่องข้อพ่อแม่ใกล้เคียงกันเพราะมันเป็นวิถีทุกวันนี้พระครูตอบสั้นๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจคำว่าวางไม่ได้แปลว่าทิง้งวางความยึดมั่นถือมั่นแต่ขยันขันแข็งทําหน้าที่เราต่อไปธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะ การทำหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความหลุดพ้นโดยเฉพาะสัมมาอาชีวะเป็นหน้าที่หนึ่งในมักมีองค์แปดผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจแล้วทุกคนต้องวิ่งมาเข้าไปอยู่ในป่านะคำว่าวางไม่ได้แปลว่าทิง้งคนทิ้งหน้าที่มันจะพ้นทุกข์ไม่ได้นะยิ่งปฏิบัติยิ่งขยันแต่ขยันแบบฉลาดมีปัญญา ไม่ใช่ขยันแบบโง่โงขยันแบบโง่โงไม่สำเร็จถึงจะสำเร็จในงานที่ทำอยู่แต่ชีวิตเราไม่สำเร็จเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่แข็งแรงอันนี้ขยันแบบโง่โง่แต่ถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเราจะขยันแบบมีปัญญานะการงานเรามองอะไรชัดเจนรู้ปัญหาเราก็จะไม่เครียดกับงานนะแล้วก็ในแง่ชีวิตเราก็จะดีขึ้น นี่คือทางสายกลางผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจอันนี้เป็นการเข้าใจผิดว่าปฏิบัติธรรมเราต้องทิ้งทุกอย่างสิ่งที่เราต้องทิ้งคืออะไรสิ่งที่เราต้องทิ้งคือความทุกข์นะธรรมดาวันนี้มีอีกหลายอย่างนะเอาไว้ยกยอดไปวันหลังนะจริงๆแล้ววันนี้พระครูคุยกับญาติธรรมแอมแล้วก็คุยกับอาจารย์อ้อยเมื่อ เดือนก่อนสองคนเจอสภาวะเดียวกันคือเจ็บเจ็บแต่หัวเราะได้ว่ามันเจ็บเห็นไหมเห็นคนเจ็บแล้วหัวเราะได้ไหมนอกจากคนบ้านะเจ็บอยู่จต่หัวเราะมีความสุขมากที่เห็นมันเจ็บอย่าจิตมันเกิดปัญญาแล้วมันรู้ว่าเจ็บ แปลว่าเจ็บไม่ได้แปลว่าทุกข์ซะหน่อยหนึ่งแต่เราไปแปลเองว่าเจ็บคือไม่ดีมันทุกข์ไงแล้วแปลผิดจนไปว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกข์รวยก็มีเยอะไม่ได้แปลว่าสุขเราไปแปลเองนะถ้าจําเป็นต้องจนก็จนเถอะอย่าไปทุกข์กับมันถ้าจําเป็นต้องรวยก็รวยเถอะอย่าไปทุกข์กมันถ้าจําเป็นต้องเจ็บก็เจ็บเถอะอย่าไปทุกข์กับมันไม่ใช่ไม่ทุกข์เฉยๆนะหัวเราะด้วยเพราะเราเห็นว่ามันเจ็บ เราเห็นเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วทุกวันนี้เกิดแก่เจ็บตายเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ไงเกิดมาก็แหกปากร้องแก่มาก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยก็ทุกข์เพราะว่าที่เราทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากแก่เวลาตายก็ทุกข์อีกตายไม่ลงเพราะเรายังไม่อยากตายแต่ถ้าจิตมันเข้าถึงเลยว่าให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามันจะไปทุกข์ทำไมนี่แหละในขณะที่มันเจ็บอยู่เนี่ยมันก็หัวราะยิ้มเลยมีความ มีความรู้สึกสุขมากกว่าที่มันเห็นว่าเห็นว่ามันเจ็บเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราเห็นความจริงตามธรรมชาติแล้วแม้กระทั่งเจ็บเราก็ไม่ทุกข์ไม่ใช่ไม่ทุกข์เฉยๆมีความสุขกับความเจ็บปวดนั้นได้นะเราจะตลกด้วยนะว่ามันกําลังเจ็บตอนนี้บางทีพระคูนั่งเห็นกิเลสกาลังเล่นงานคนนั้นคนนี้กําลังทะเลาะ ก, กันอยู่นะจิตมันยิ้มนะพราอคุณไม่ได้ฆ่าโทษว่าก็ถูกก็ผิดนะ ม, นมันกําลังถูกกิเลสเล่นงานอยู่เนาะ เราก็นั่งยิ้มนะก็เป็นไปตามกรรมไงไม่ต้องไปกล่าวโทษใครไม่ต้องขอไม่ต้องไปเออภัยทานใครด้วยเพราะว่าจิตเราไม่ตัดสินนี่แหละสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่าผัสสะไม่พิจารณาไม่ตัดสินตัดสินปุ๊เป็นกรรมแต่ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยไม่มันสักแต่ว่าไม่รู้ไม่ทันสักแต่ว่ารู้ไม่ทัน มันจะรู้สึกเลยเวทนาเกิดทันทีเมื่อรู้สึกปุ๊บเวทนาเกิดนะปุ๊กก็ก้าวหน้าปุ๊กนี่ตำแหน่งเนี่เป็นกระโถนทองพะโลงทุกอย่างเทอยู่ที่หมดยาติธรรมเยอะแยะมากต่างคนต่างนิสัยนะก็อยู่ตรงนี้แต่อันนิสงที่เขาทังเขาก็ก้าวหน้าระดับหนึ่งนะมีอะไร เขาก็มาสอบปอรมหลกับพรอครูบ่อยๆเนื่องจากว่าต้องรายงานที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็สอบปรมหลเรื่อยๆบางทีตอนนี้นิสัยที่เขาติดดีในทางโลกติดดีติดถูกติดผิดติดมากๆเลยอันนี้เอาออกยากมากก็เห็นบางอะไรก็ขวางหูขวางตาแต่มันเกิดอารมณ์แล้วไงเกิดเวทนาแล้วเกิดสัญญาบันทึกไว้แล้วแต่สติกับเมตตาธรรมเรามีเยอะก็ช่างมันเถอะ แต่มันยังสายเกินไปแล้วแต่บางทีพรุ่งนี้ปุ๊บยังคิดถึงมันอีกเนี่ยมันก็ทําให้จิตมัวหมองมนหมองแต่ก็ยังดีกว่าว่าเราเบรคมันไม่ได้แกบอกถ้าสมัยก่อนเหรอสวนออกไปทันทีเลยไม่รอแม้กระทั่งครึ่งวินาทีเดี๋ยวมันจะไม่ทันแต่ตอนนี้มันไม่สวนไงแต่มันยังช้าเกินไปนะคือมันเกิดเวทนาแล้วแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ย เหมือนเรายิงเป้าบินนะเห็นปุ๊บยิงเห็นปุ๊บยิงถามว่าเราพิจารณาทันไหมเฮ้ยมันสีอะไรใครยิงก่อนตกลงมาแล้วทีนี้บางทีเป้าบินเนี่ยมันไม่ใช่เกิดมาทีละลูกนะมันลุมด่าเรากินโต๊ะเลยเป็นทีละสิบคนอย่างนี้เรายิงยิงทันไหมมันจะไปฝึกช้าๆได้พาเริ่มงามอ่ะสมมุติว่าไปยิงเป้านิ่งเนะเรามีเวลาทําสมาธิเล็งอยู่ไม่ถูกกดดันเลยเพราะเรารู้ว่าเป้ามันไม่หายไปไหนยิงยิงผิดยิงใหม่ได้ไงแต่ชีวิตจริงเราไม่ใช่เป้านิ่งมันเป็นเป้าบิน อารมณ์ข้างในมันเกิดเร็วมากอารมณ์ข้างนอกกระทบเร็วมากถ้าเราไม่เร็วกว่ามันเนี่ยกระทบปุ๊บกระเทือนกระเทือนไม่พอนะเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดเธอดา่าชันฉันเสียเปียบไม่ได้วิญญาณ น, นักสู้เกิดขึ้นภายในหนึ่งวินาทีนเห็นมาลิกานั้นวินาทีแตก็กสร้างวจีจรกมเราสร้างกรรมตลอดนะที่เราฝึกเนี่ย เร่งสติหมุนกองล้อคนธรรมาจากถ้าจะนี้เรียกว่าบางคนถามมาครูว่าสูตรไหนสูตรไหนพระไตรปิฎกมีไหมมีไห ม, มเออนี่คือธรรมาจากกัปปวัตนสูตรเป็นสูตรแรกที่ผู้เจ้าเอามาสอนได้อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยวันอาสาฬหาบูชาเดือนหน้าเนี่ยจะถึงวันที่ผู้เจ้าแสดงธรรมาจากกัปปวัตนสูตรแล้วก็พระสง์ เกิดขึ้นองค์แรกในโลกนี้คือพระอัญญากลธัญญานี่คือธรรมจักรกับพระจุลเล่งสติหมุนกงล้อของธรรมจักรพอมันหมุนปุ๊บมันอิสลาปุ๊บอ๋อนะพระจุลปันถกเนี่ยผู้เจ้าเบื่อมากงู้มากท่องจำาะายสวดมนต์ก็ไม่ได้สึกดีกว่าพรองอ์เห็นวาลาจิตบอกจุลปันทกท่านจะไปไหนนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไม่อยากเป็น อุปสรของศาสนาท่านง่วมากสวดมนต์ไม่ได้ผู้เจ้าก็มอบผ้าขาวให้ผืนหนึ่งในยุคนั้นเนี่ยแค่ได้พบผู้ที่เจ้าก็บรรู้ธรรมแล้วเกินครึ่งหนึ่งศรัทธาไงเอาผ้าขาวเป็นรูปนะรูปผ้าขาวรูปไปรูปมาเนี่ยนี่คือผัสสะนะรูปผ้าขาวรูปไปรูปมาก็มารู้ที่ใจรู้ที่ใจรูปไปรูปมาจิตมันเกิดแรงเบี่ยงมันหลุดพ้นจาก สิ่งต่างๆก็เกิดปัญญาว่าอ๋อจิตเดิมแท้เป็นพระพัดสอนเหมือนผ้าขาวเนี่ยเมื่อเกลือกกล้วยด้วยกิเลสตัณหาอุปทานก็เปื้อนไงพระเจ้าถึงขัดเกลาจิตให้ผ่องใสแค่นี้ก็บรรลุธรรมแล้วเนี่ยไม่ต้องฉลาดจําจําเป็นแค่ขยะปัญญาต้องเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตไม่ได้เกิดจากการนึกคิดหรือพิจารณานะความฉลาดเกิดขึ้นจากความคิดที่เฉียบแหลม แต่จิตตื่นรู้เกิดขึ้นจากเวลาที่เราต้องหยุดคิดถ้าเราคิดอยู่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะเอาเป็นว่าไม่ต้องไปแสวงหาปัญญานอกกายนะปัญญาไม่ได้อยู่ที่ภูเขาหิมาลัยหรืออยู่ที่อินเดียปัญญาเขาอยู่ในจิตเรามากมายอาจารย์เราก็อยู่ข้างในอย่าเพิ่งเชื่อครูบาอาจารย์ข้างนอกบางทีปัญญาเราไม่ถึง ท่านเป่งภาษาออกมาเราอาจจะเข้าใจถูกเข้าใจผิดหรือเข้าใจแค่ครึ่งเดียวเราก็อาจจะไปปฏิบัติผิดท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตพระครูก็จบวันนี้แค่นี้นะก็ได้เวลาพอดีนะก็จําไว้ว่าเมื่อประตูแห่งความรู้แจ้งยังไม่เปิดฉันก็ได้แต่เพียงเฝ้าดูจิตฉันเลื่อยไป